ขอกรองฟังญาติยโยมสาวกทุกท่านหัวข้อการบรยายวันนี้อยู่ในชุดเรื่องศีลธรรมกลับมาและยัหลังเนี่ยก็ได้ยินหลายคนพูดทำนองกลนันว่ารับวันเนี่ย จะอยู่ยากยิ่งขึ้นเพราะหลายจะมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมวิธการแปรรวนอัมกัดที่ปริมาณภาวาที่เพิ่มมากขึ้นปัญหาเศรษฐกิจที่ผันผวนแล้วก็รวมถึงความเป็นอยู่ที่ต้องแข่งขันกัน แล้วก็มีการอารัดเอเปียดกันมากขึ้นผู้คนตื่นรนเห็นแก่ตัวกันถ้ามี น, ำมน้ำซ้ำนะก็ยังมีข่าวข่าวเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงทั้งในบ้านเราเองแล้วก็ล่าสุดก็มีเหตุสเชือนขวัญการก่อการร้ายที่ เกิดขึ้นในสถานที่ที่เราคิดว่าน่าจะปลอดภัยนีที่เป็นขาวกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอันนี้ก็ทำให้หลายคนรู้สึกเป็นห่วงที่จริงถ้าจะว่าไปแล้วปัญหาเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ย มันลุ้นแล้วแต่เป็นภาพสะท้อนของวิกฤตไม่ใช่แค่วิกฤด้านสินวัลล์ไม่ใช่แค่วิกฤตทา ง, างด้านการเมืองแต่มันเป็นวิกฤตด้านจิตดินดาณเละทีเดียวในความหมายที่ว่ามันเป็นอาการที่เกิดจากทัศนติมุมมองและพฤติกรรมของมนุษ ที่ถ้าดจอยไปแล้วก็โยงไปถึงเรื่องของประเด็นเรื่องศีลธรรมปัญหาความไม่มีศีลธรรมเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาได้หลายประการเช่นการอาล็อกเอเปี่ยนการโกง การเบียดเบียนการคอร์รัปชันอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือการเกิดความรุนแรงถึงขั้นาำรานน้ายจนกระทั่งบาดเจ็บพกิการหรืเสียชีวิตซึ่งอาจจะมาในรูปของ สงครามการต่อการร้ายหรือว่าที่เกิดขึ้นในชีิตประวันก็คืออาจญากกาันการประหัตประหารกันเป็นข่าวันทุกวันอันนี้คือปรากฏการ2สองประเทศใหญ่ๆที่สะท้อนในสิ่งปัญหาทางด้านิีรธรรม ว่าฉันป์าที่เป็นประเด็นที่สร้างความต่นตระหนกกับผู้คนในช่วงระยะหลังก็คือเรื่องความรุนแรงที่ทำร้ายถึงขั้นเอาชีวิตเลือดตกย่างออกหลายคนรู้สึกว่าปัญหาความรุนแรงมันเกิดขึ้น ทีขึ้นทีขึ้นไม่ใช่แค่ในระดับประเทศแต่เป็นระดับโลกเลยที่จริงเนี่ยเมื่อย้อนถอยหลังไปประมาณเกือบ3าสิปีที่แล้วเนี่ยหรือถ้าจะระบุปีเนี่ยก็คือปีสอง2หาสามสองหรือว่าปีคิศสัปดาพัการ้ยแปดสบ พฤศจิกายนยปีพนเกยปหรือสอง2สามสองเนี่ย 1989, 32, เขาก็มีเหตุการณ์ใหญ่นะก็คือเหตุการณ์พังทลายของกำแพงเบอร์ลินะซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์เป็นส่วนใหญ่นะที่เหลือก็เป็นคอมมิวนิสต์ในนาซช่นประเทศจีนหรือว่าเวียดนามตอนนั้นเนี่ย ก็มีความหวังนั้นมากว่าโลกจะกรับคืนสู่ความสงบสุขสถทีเพราะว่าตราบใดที่ยังเกิดสงครามเย็นนะระหว่างค่ายประชาธิปไตยกับค่ายคอมมิวนิสต์มันก็จะเกิดสงครามไปแทบทุกคนแห่งทั่วโลกและบ้านเรานี่ก็เกิดนะการต่อสู้กับอาวุธต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธนะ ของกระบนการคอมมิวนิสต์ซึ่งก็ทำให้ผู้คนว้มตายกันเป็นพันบาดเจ็ก็เป็นหมื่นคนที่โตมาอายุยี่สิบเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะว่าเมื่อสามสิบปีที่แล้วเนี่ยนะโลกมันวุ่นวายยังไงบ้างมีความรุนแรงอย่างไรบ้าง แล้วพอค่ายคอมมิสเนี่ยล่มสลายก็มีความหวังว่าโลกจะ ก, กลับคืนสู่ควาสมสงบสุขสักทีเพราะว่าสงครามที่ผ่านมาจนกระทั่งแนวโน้มจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยมันก็เกิดจากการต่อสู้กันระหว่างสหรัฐ ก, กับรัเสเซียและทั้งสองประเทศก็มี อาวุธเคลียร์กันเป็นพันพะันรูปอันนี้พอรัสเซียนี่ก็กลับมาเป็นประชาธิปไตยอย่างน้อยในรูปแบบเนี่ยก็เชื่อว่าโลกจะกลับคืนสู่ความสงบสุขมีนักวิชาการชื่อดังชาวอเมริกันเนี่ยที่เขาเขียนหนังสือชื่อว่า The End of History จุดจบของประวัติศาสตร์นะความหมายนึงคือว่า การทะเลาะเบาแหวงกันในเชิงลกรมการเนี่ยมันเป็นอันวิจิติแล้วจบแล้วเป็นชัยชนะของประชาธิธธปไตยเป็นชาชนะของเสรีนิยมนะแต่ว่าอย่างที่เราทราบนะัเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเป็นต้นมาเนี่ยถึงแมาไม่มีการต่อสู้กันระหว่างคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยอีกแล้วเนี่ยนะหรือว่าต่อสู้กเบาบางมากโลกก็ยังไม่มีความสงบ แล้วก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นตอนนี้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นความรุนแรงเพราะความขัดแยง้งทางดุมการการเมืองแต่กลายเป็นว่ามีเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องชาตินิยมหรือชาติพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นในภาพสุเบาข่านนะ สงครามในยูโกสลาเวียโครเอเชียบอสเนียอันนี้ถ้าจำได้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นสิทธิที่ทำให้คนเริ่มจะไม่ค่อยแน่ใจแลาวว่าสันติภาพที่มันจะกลับมามีจริงได้หรือแล้วก็ตลบัก็เกิดเหตุการณ์สิกันยาเกิดเหตุการณ สงครามที่อัฟกานิสถานที่อิรักแล้วก็ลามมาถึงตะวันออกกลางซีเรียแล้วก็เกิดการก่อการร้ายหลายจุดนะขยายมาถึงภาคใต้ประเทศไทยตอนนี้ไม่มีใครคิดแล้วว่าสถาิภาพจะกลับมาโดยเร็วกับพวงวิจกว่าไอ้โลกจะเกิดสงครามโลกอีกครั้งหรือเปล่า ที่ผู้มาทั้งหมดนี้เนี่ยนะก็ต่ว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนปัญหาในเชิงศิลธรรมด้วยเหมือนกันตอนนี้เนี่ยถามว่าให้ความรุนแลที่เกิดขึ้นนะตั้งในระดับท้องถิ่นแล้วก็ในระดับประเทศแล้วก็ระดับโลก ซึ่งทำให้หลายคนปริวิตรก็มันไปโยงถึงเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาอะไรๆต่างๆตามมาตามว่าเราจะมองปัญหาเรานี้อย่างไรถ้าเราต้องการให้ศิลธรรมกลับมาเนี่ยมันจะทำได้อย่างไรเพื่อที่ทำให้ สันติภาพหรือว่าสัติสุขเนี่ยับคืนมาสู่โลกสู่ประเทศสู่วิถีชีวิตของเราถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยปรากฏการทั้งหลายเนี่ยซึ่งเรียกรวมว่าความมุนแรงมันก็มีที่มามาจากความโกรธความเกลียด อันนี้พูดแบบฟันคงเลยนะไม่ว่าจะมีสาเหตุจากประการใดก็แล้วแต่เนี่ยแต่ปัญหาต่างๆเนี่ยถ้ามันไม่ไม่นํามาสู่ซึ่งความโกรธความเกลียดเนี่ยให้การที่จะจับอาวุธทําลายหรือฆ่าฝั่งกันเนี่ยมันก็แทบเป็ดไปไม่ได้เลยอาจจะตายเพระอุปติเหตุตายเพราะความเมาตายเพราะความประมาท แต่ว่าไม่ใช่เพราะความปลดความเปลีย่ยนอันนี้ความเปลีความเปลีย่ยนเนี่ยซึ่งเป็นที่มาของความรุนแรงเนี่ยมันเกิดจากอะไรถ้ามองในมุมของพุทธศาสนาเนี่ยค ว, ความเปลีความเปลี่ยนก็มีที่มามาจากร่างเท้าสามตัวใหญ่ๆอันแรกคือตันหาอันที่สองคือมานะ อันที่สามคือทิฏฐิบางทีเราก็ใช้สามตัวโลภะ โ, โ, โมหะโสศัแต่ว่าตัญหาม า, าทิฏฐินี่มันอธิบายประกฏการณ์ต่างๆได้ได้ดีตันหานคือความอยากความอยากเสดอยากมีอยากได้ก็คือความโลภนั่นแหละ เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยและทำไม่ได้อย่างที่อยากก็เกิดความไม่พอใจและความไม่พอใจนั้นก็นําไปสู่ความโกรธนําไปสู่ความเกลียดได้เหมือนกันตัณหาอาจจะนําไปสู่การแย่งชิงขัดแข่งขัดขานําไปสู่ความอิขุริษยา ซึ่งในสุดก็มาลงมือที่ความโกลทความเปลี่ยนมานะมานะในที่นี้ปนแปลว่าความพยายามนะรงไทยเราไปแปลว่าวมานะคือความพยายามมานะพยายาม เ, เราใช้คำเนี้ยมานะพยายามจริงๆมานะที่เป็นกิเลส น, นะหลายคนไม่รู้แปลวามาตั้งชื่อลูกว่ามานะเนี่ยนะไม่รู้เพราะเชื่อมานะแปลว่าวพยายามที่มานะเนี่ย มันคือความถือตัวซึ่งสามารถจะทําให้เกิดความพ ย, ยายาได้เช่นเห็นคนอื่นเขาขยันพ่ออาจจะบอกลูกว่าเราก็มีมือมีเท้าทําไมเราสู้เขาไม่ได้นะอันนี้เรากระตุ้นรกระตุ้นมานักของลูกว่าเนี่ยเราก็คนเขาก็คนหรือว่าเขาเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายเนี่ยทําไมเราสู้เขาไม่ได้ก็เกิดความเพียรเกิดความพยายานี่ปรมานะ่ะ กระตุ้นมานากู้ทำให้เกิดความพยายามคติยะมานะเนี่ยก็เหมือนกันแต่ยิ่งมานาเนี่ยมันคือความตอนเป็นกิเลสนะเรียกง่ายๆคืออัตตาอิโก้มานาเนี่ยหรือความถือตัวก็สามารถนําไปสู่ความโกรธความเกลียดได้ที่ชัดๆคือเวลาเราถูกดา่าเราถูกต่อว่าเนี่ยเราโกรธใช่ไหมเพราะเราสึกว่า อัตตาเรากกะบเรารู้ึก ว, ว่าเรามามาหน้าของเราเนี่ยนะมันถูกกระแทกเมื่อใดก็ตามที่เราโกรธเมื่อถูกต่อว่าถูกติชิ้นยินทารเนี่ยไอความโกรธนั่นแหละมันเกิดจากมานะเสียหน้านะหรือว่ารู้สึกว่าอัตตามราถูกประทบมานั้นนี่สลัอย่ากนะจาเพาะ พระอรหันต์ได้ถึงสละได้ถ้านาคามียังสละไม่ได้เลยนะ mm hmm. เร่องเป็นสังโยชน์ตัวหนึง mm ่ง hmm. แต่ว่าเราทำให้มันเบาบางได้ไอ mm ้ hmm. ถ้าคนเนี่ยไม่ตระหนักนะในโทษของมานะเนี่ยน่ะพอพอมีคนเก่งกว่าเราก็เกียดเขาไม่ต้องเขาด่าว่าเรานะแค่เขาเก่งกว่าเรานะ mm hmm. เขาขยันกว่าเราหรือเขาดีกว่าเราเนี่ย บางทีเราก็ไม่ชอบที่หน้า น, นะเราไม่ชอบเขาเพราะเขาทําให้เราสึกว่าเราเนี่ยด้อยกว่าด้อยกว่าคนอื่นธรรมชาติธรรมนานี่มันต้องการบอกว่ากูเก่งกูดีกูแน่แล้วต้องแน่กว่าคนอื่นต้องดีกว่าคนอื่นด้วยถ้ามีใครดีกว่าเก่งกว่าแล้วถ้าเราไม่ระวังใจให้ดีเนี่ยมันจะเกิดมานะคือเกิดความไม่พอใจเกิดความอิจฉา เวลาถูกดูถูกนะเราโกรธนะอันนี้ก็มานะมันนกทำให้เกิดความโกรธไม่ได้จริงเพราะว่าถูกต่อว่าดา่าทอหรือถูกดูถูกบางทีเพียงแค่รู้สึกว่าเราเราเหนือกว่าคนอื่นเราเลิศกับคนอื่นมันก็ทำให้เราโกรธเราเปลี่ยนคนที่ฝังกับเราได้เพื่อแต่ง่ายๆเนี่ยนะ ในสมัยเยอรมันในสมัยฮิตเลอร์เนี่ยมันมีความมันมมานาเกิดขึ้นในในธรรมชาตินะก็คือว่าคนเยอรมันตัวตุกจพวกอารยันอารยันเนี่ยก็ถือว่าประเสริฐเลิศ ก, กว่าพวกยูซึ่งเป็นพวกเชโร่เปพวกชั้นต่ำไอ้ความถือตัวของคนเยอรมันทีเป็นอารยันเนี่ย มันก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนและความโกรธคนยิวถือว่ามาทำให้เลื่อนอารยันเนี่ยมันมันไม่บริสุทธิ์อิเลอเน่ก็ปลุกความสำนึกเรื่องอารยันขึ้นมาเพื่อใช้เป็นคเครื่องมือในการกำจัดพวกยิวนะสงครามก็เกิดขึ้นการทัศนคติ น, ะนี้การทำลายคนยิวฆ่า จำนวนหกถึงแปดล้านคนนะก็เกิดจากมารณาความถือตัวนะนล้วนอกจากตัณหามารณแล้วเนี่ยทิฏฐินี่ก็เหมือนกันนะทิฏฐิแปลว่าความเชื่อทิฏฐิในที่นี้เนี่ยนะถ้าไม่ได้หมายถึงทิฏฐิธรรมดาแต่หมายถึงความความยึดมั่นถือมั่นในในทิฏฐิความในทางตัวตรงนี้เนี่ยเป็น เป็นร่างว่าของความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งในบ้านเมองเราในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ในระดับโลกความขัดแย้งระหว่างสีจนกระทัางเกิดการประทะเกิดการใช้ความรุนแรงต่อกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องทองทิดติใช่ไหมครับ เตุการณ์ควรุแรในภาคใต้เนี่ก็เป็นเรื่องทิฏฐิมีความเชื่อเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องมเมื่อยึดมั่นในทิฏฐิยึดมั่นในความเห็นยึดมั่นในอุดมการทางการเมืองก็ดีทางศาสนาก็ดีเนี่ยมันสามารถจะมาไปสู่ความโกรธความเกลียดได้คือโกรธหรือเกลียดคน ท, ที่เห็นต่างจากเรา ไม่ต้องอื่นไกลคนในบ้านเดียวกันพ่อกับลูกพี่กับน้องถ้ามีอุตมการณ์คนละอย่างสูทองคนละสีเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นโกรธที่แรกโกรก่อนแล้วก็นำไปสู่ความเกลียดเกลียดก็เสร็จแล้วก็ไงไม่พูดไม่จากกะมันทีตับข้อตักลูกใช่ไหมครับนี่ก็เป็นความรุนแรงแบบหนึ่งนะ อันนี้มันเห็นได้นะว่ามันเป็น เ, นนเกิดจากทิศถิ่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้ความยึดติดในทิศถี่มันแรงถึงขั้นว่าแม้กระทั่งสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกเพาะพี่กับน้องสามีกับภรรยาก็ถูกตัดให้สะบั้นขาดได้มันแรงมากนะทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยเพราะว่าเลือดเนอี่ยมันต้องข้นกว่าอยู่แล้วเลือดมันข้นกว่าน้ำ สายสัมพันธ์ต้องเข้น้นกว่าอุดมการณ์หรือความเชื่อแต่จะนิ่งตรงข้ามนะความเชื่อเนี่ยมันมันแรงกว่าสายสัมพันธ์นั้นมีข่าวพ่อตัดรูปเพราะว่ามีความเห็นทางการมองไม่ตรงกันเพื่อนตัดเพื่อนนะที่น้องตั ด, าด่าจากกันเพราะความเห็นต่างกันนี่แค่ความพงการเมืองนะยิ่งเป็นความเห็น หรือความเชื่อทงางศาสนาเนี่ยมันก็ถึงขั้นทำร้ายกันได้อันเนี้ยเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นรากเง้าของความโกรธเกลียดที่นำไปสู่ความรุนแรงและเป็นตัวที่ผู้คนเนี่ยตระหนักถึงอันตรายของมันเนี่ยน้อยมากเพราะ เวลาเรามีความเชื่อเวลาเรามีอุดมการใดเนี่ยหรือศาสนาใดแล้วก็เชื่อว่ามันคือถึงสิ่งที่ถูกต้องคนเวลาไปขโมยของเนี่ยเขาก็รู้น่ะว่ามันไม่ถูกคนเวลากโกงเนี่ยคอรัปชั่นเนี่ยด้วยอำนาจตันหาเนี่ยเขาก็รู้น่ะวามันผิดแต่ห้ามใจไม่ได้แต่พอเรามีความเชื่อในทุกถิหรือเรามีความยึดติดในทฤษฎิแล้วเนี่ย เรามั่นใจเลยว่าเราถูกมันผิดนะหรือว่ากูถูกมึงผิดนะไอ้ความคิดว่าเราถูกเนี่ยนะมันยิ่งไปไปเสริมไปย้ําให้เราเนี่ยยิ่งยึดมั่นถึงมั่นแล้วก็ยิ่งเห็นอีกฝ่ายที่คิดต่างจากเราเนี่ยเป็นตัวร้ายเป็นคนเลวได้ง่ายมากและไอ้ความเห็นตา่าง แบบนี้เนี่ยแม้ศาสนาเดียวกันแต่คนละนิกายเนี่ยก็สามารถจะมาไปสู่การทำลายกันได้ในปากิสถานในอิรักเนี่ยคนมุสลิมสองนิกายเนี่ยข้ามหันกันนะฮะซุนนีกับชีอะบางที่จะเอาระเบิดไปวางไว้ในมัสยิดของฝ่ายชีอานะ IS เนี่ยก็เป็นซุนนีอิหร่านเนี่ยก็ส่งกำลังมาช่วยซีเรียเนนะแล้วมั น, น, นรประธานพิบดีซึ่งเป็นซึ่งเป็นชีอาห์นะซีเรียอิหร่านก็ลุ่มถล่ม IS IS ก็ลุ่มถล่มนะพวกชีอาห์ พุสธิเหมือนกันนะแต่ว่าพอคนอังกฤษาแล้วเนี่ยก็เห็นเป็นศัตรูอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะ่งของของความความรุนแรงที่เกิดจากทิฏฐนะิสงครามไม่ได้เกิดจากการแย่งชิงน้ำมันแย่งชิงทรัพยากรเท่านั้นแต่จะเกิดจากความเห็นหรือความเชื่อที่ต่างกันได้ ไม่ใช่แต่ความเชื่อทางการเมืองแต่รวมถึงความเชื่อทางศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงความรุนแรงเวลาเราพูดถึงเรื่องอยากจะให้ศีลธรรมกลับมาเนี่ยบางทีก็ต้องกลับมาไถ่ควรได้ว่าไอ้ความยึดมั่นถือมั่นในศาสนาเนี่ย มันจะเป็นตัวการมันสามารถเป็นตัวการทำให้เกิดความไม่มีศีลธรรมได้ยดุติธรรมคิดฐีเนี่ยเราจะเรียกยางก็าได้ว่าความคิดทับแท่ความคับแท่ของความคิดหรือถ้าพูดให้ให้ให้ถูกต้องนะคือความยึกติดถมหรือมัน่นในความคิด แล้วท่จริงแล้วมันจะมีความมันจะมีทิศทีอีกหลายตัวนะที่นำไปสู่ความโกรธความเปลีย่ยนเช่นการไม่เห็นโทษของความโกรธความเปลีย่ยนหรือบางทีเห็นด้วยซ้ำว่าความโกรธความเปลีย่ยนเป็นของดีอันนี้เป็นทิศีแบบ น, นึงนะความเห็นหรือความเชื่อว่า ถ้าวิธีการดีถ้าจุดหมายดีจะใช้วิธีการอะไรก็ได้อันนี้ก็เป็นทิศที่หรือความเห็นที่แพร่หลายในสังคมมากนะฮะและเป็นที่มาของความรุนแรงในสังคมจุดหมายดีจะใช้วิธีการอะไรก็ได้จะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องหรือผิดสิ่งก็ได้ นะเช่นจะจะจับโจรผู้ร้ายจะปราบโจรผู้ร้ายเนี่ยนะหลายคนก็มีความคิดเลยนะว่าเออถ้ายิงมันตายโดยที่ไม่ต้องสอบสวนหรือวิสามาันฆาตกรรมไปเลยเนี่ยอันนี้ทําได้คนชัวน่วนยะสมควรตายการกาจัดคนชั่วนเนี่ยเป็นความดีเป็นความถูกต้อง เพราะฉะนั้นใช้วิธีการอะไรก็ได้ก็คือจับไปทรามาร์ก็ได้ยัดข้อหาก็ได้ยัดของกลางก็ได้หรือว่าฆ่าไปเลยก็ได้หลายคนก็เห็นว่าวิธีนี้การกระทำนี้นถูกดีแต่นี่แหละคือที่มาของความรุนแรงของความไม่มีศีลธรรมในสังคมด้วยองหนึ่งกัน เวลาจับโจนหรือผู้ต้องหาข้าคนคืนเอาผู้ต้องหาเหล่านี้เนี่ยมามาทำแผนก็มีประชาชนจำนวนไม่น้อยเนี่ยหลายที่เลยนะเข้าไปลุมสั ก, ก ร, รมกระทืบอาทีกระทืบจนเขาตายเลยหลายคนก็สุวัตความถูกเพราะไอ้นี่มปนชั่วมันไม่ควรอยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย กำจัดมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถูกต้องจริงหรือไหมในเมื่อไปกระเื่อเขาตายเนี่ยหรืไปกระเพือเขาเป็นบาดเจ็บเนี่ยอันนี้ถูกศีลธรรมหรือผิดศีลธรรมนะถ้าเราถ้าเราถ้าเราชัดเจนเรื่องศีลธรรมเราก็จะรู้ว่าวิธีการแบบงี่มันมไม่ถูกถึงแล้วว่า นี่ก็เป็นแค่ปูตองหาหรือถือแม่เป็นเป็นฆาตะกอจริงๆก็ตามนะการที่จะกำจัดเขาเด้าโดย ว, วิธีใดก็ตามโดย ว, วิธีใดก็ได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นความคิดที่จะนำไปสู่การส่งเสริมสักติสุขในสังคมอันนี้เป็นตัวอย่างนะไอความคิดแบบนี้ว่าเมื่อจุดมุ่งหมายถูกใช้วิธีการใดก็ได้เนี่ยมันเป็น มันเป็นความคิดที่ทำให้เกิดความรุนแรงในสังคมมากทีเดียวิลลเดนเขาคิดว่าเขาทำเนี่ยุดมุ่งหมายเนี่ยถูกต้องเขาทำเพื่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นใช้วิธีการอะไรก็ได้เพื่อทำให้จุด ม, ม, ม, มุ่งหมายเขาเนี่ยบรรลุอเอสก็เหมือนกันเขาเชื่อว่าจุดมุ่งหมายเขาเนี่ยถูกต้องคือคือทำให้พระเจ้าเนี่ ทำให้ผู้คนยังมานับถือสมาทานพระเจ้าของเขามีอนาจจักรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นจะใช้วิธีการใดก็ได้การฆ่าตับคอนะจะทำร้ายใครก็ได้เพราะว่าจุดมุ่งหมายถูกต้องจุดมุ่งหมายที่ดีสูงส่งอันนี้เป็นเป็นความคิดนะที่มันมันเป็นร่างอ้าวของความรุนแรง ที่เกิดขึ้นในทุกคนแห่งในโลกและความคิดอันอันหนึ่งนะที่อาตมาชื่อว่าเป็นเป็นที่มารากเหง้าของความโกรธความเกลียดก็คือความคิดที่ตาหมายเรียกว่าทวิภาวะทวิภาวะเนี่ยคือการมองเป็นคู่ มองเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นเขาเป็นเราแตไ่ไม่ใช่มองแค่นั้นนะแต่มัน ม, มีลักษณะของความรู้สึกเป็นปฏิบัติด้วยตัวอย่างความาที่ดัดวิภาว่าที่ชัดเจดนมากคือคำพูดของประธานาธิบดีบุชหลังจากเกิดการเสร็จกัญญาว่าถ้าไม่เป็นพวกเราก็เป็นศัตรูของเรา อันนี้คือความคิดตบบแบ่งฝักแบ่งสายคือมีเราและมีเขาพวกเรากับศัตรูของเราความที่ว่าพวกปูดีพวกมึงเลวอันนี้เป็นความคิดที่มันอยู่เบื้องหลังองความรุนแรงในบ้านเมืองเราในโลก ความคิดว่าสีเราดีสีนั้นเลวนี่ก็คือความคิดแบบพนทธภาวะความคิดว่าศาสนาของเราดีศาสนาของมันเลวนี่ก็คความคิดแบบพุทภาวะความคิดว่าความเดียวคนเดียบคนชั่วเนี่ยมันอยู่คนละพวกความดีกับความชั่วนี่มันแยกกันนี่ก็ความคิดแบบพุทธภาวะ รวมเป็นควคิดว่าสั้นกับยาวเนี่ยเป็นพวกกันแต่แนวพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่นะสั้นกับยาวอยู่ด้วยกันหลวงพ่อชาติท่านเคยนะเคยสอนสิทธิ์นะเอาไม้มากิ่งไม้มากิ่หนึ่งแล้วถามว่ากิ่งไม้นี้สั้นหรือยาวแล้วท่านก็บอกว่าถ้าท่านต้องการกิ่งที่ยาวกว่า น, นี้ไอ้กิ่งที่ผมถือมันก็สั้น ถ้าท่านต้องการกิ่งที่สั้นกว่านี้ไอ้กิ่งที่ผมถือมันก็ยาวแปลว่าอะไรสั้นและยาวอยู่ในกิน่งกิ่งเดียวกันนี่คือความเข้าใจที่ไปคน้นวิภาะวุทธศาสนานี่จะมองแบบนี้นะไม่มองอะไรเป็นผั้่ะผูเจ้าเคยกล่าวว่าความตาดีในชีวิต ความแก่อยู่ในความหมุนสาวความไม่มีโรคอยู่โรคอยู่ในความไม่มีโรคคนมักคิดว่าเกิดกับตายนี่คนละขั่วเหมือนกับปลายของกิ่งไม้โนะคนกับปลายแต่ไม่ใช่นะครอันนั้นเป็นความคิดแบบสามัญแบบติดสมมุติไอ้ที่มันเหนือกว่านั้นก็คือความความจริงที่ว่าเกิดกับตายอยู่ด้วยกัน การที่เราเกิดการที่เราอยู่ตอนนี้ยมันมีความตายเกิดขึ้นทุกขณะมีเซลล์ในร่างกายเราตายในห้าหมื่นล้านเซลล์ทุกขณะที่เราหายใจห้าหมื่นล้านเซลล์นี้ในหนึ่งวันะนะแดงที่มีสุขภาพดีเนี่ยโรคเนี่ยมันก็มันก็ประกฏในในตัวเรานะแดงที้เราหนุ่มสาวเนี่ยมันมีความแก่เกิดขึ้นแล้วนี่เป็นตัวอย่างของการมองโลกแบบดูเนื้อวิภาวะ และเช่นเดียวกันคนเดียวนคนชั่วเนี่ยมันไม่ได้แยกกันนะในคนคนหนึ่งมีทั้งความดีและความชั่วอยู่ด้วยกันแต่เรามักจะมองว่าคนดีคนชั่วนี่แยกกันความดีอยู่กับความชั่วยกกันและความที่แบบนี้มันําไม่เกิดกรรแบ่งแยกเป็นฝกันฝกเป็นฝ่ายถ้าใครคิดไม่เหมือนเราก็ชั่วถ้าเป็นพวกเราก็ดีและตรงนี้แหละที่มันนำไปสู่ความขัดแย้ง นำไปสู่การมองซึ่งกันและกันเป็นปฏิปักษ์นำไปสู่ความปวดความเกลียดและในที่สุดก็นำไปสู่ความรุนแรงเป็นคพอามนุษย์เราเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยแยกขาดกาธรรมชาติมนุษย์กับธรรมชาติเนี่ยมันแยกขาดากันอันนี้เป็นความเกลียดหรั่งเลยนะเป็นความที่แบบพูดาว่าคือมนุษ ย, ย์าษากับธรรมชาติแยกกันเราก็เลยไม่ปรานีปราศาธรรมชาติ แต่ถ้าเรารับนัด ว, ว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและธรรมชาติก็อยู่ในตัวเราดินน้าำลมไฟของธรรมชาติเนี่ยมันมาประกอบขึ้นเป็นเราและเราก็เป็นส่วนของธรรมชาติที่เบนนี่เขาเปรี่ยนเชื่อได้ดีนะก็บอกว่าคนเรานี่นะเปลี่ยบเหมือนกับเหมือนกับแก้วนะอากาศในแก้วเนี่ยกับอากาศข้างนอกแก้วเนี่ย อันเดียวกันนะที่จงอันเดียวกันนะแต่ว่ามันมีแก้วขวางกันแก้วที่ขวางกันเนี่ยเปลี่ยนเหมือนกับอวิชชาที่ทำให้เราเห็นว่าแก้วอากาศในแก้วกับอากาศนอกแก้วเนี่ยมันคนละกันการปฏิบัติทางจุลการททำให้อวิชชาหมดไปจกนกระทั่งเปลี่ยนเหมือนกับแก้วน้ำเนี่ยที่มันหายไป น้ำอากาศในแก้วกับอากาศนอกแก้วก็จะกลับคืนมาเป็นหนึ่งเดียวกันเขาเรียกว่าลูกกับแม่เนี่ยมาพบกันการปฏิบัติธรรมเนี่ยถึงที่สุดคือการที่เห็นความจริงว่ามันไม่มีเส้นแบ่งระหว่างเรากับธรรมชาติธรรมชาติภายในกับธรรมชาติภายนอกเนี่ยมันแยกกันเอ้ะมันมันเป็นหนึ่งเดียวกัน อันนี้ธรมะพยายอธิบายเรื่องการไปพ้นแบบวิภาวันนะซึ่งมันสำคัญมากอจาจารย์พุทธทาสท่านเน้นมากนะเพราะว่าถ้าเราไปไม่พ้นความคิดแบบนี้เนี่ยเราจะมองเห็นกันและกันในสักรูได้งนน่าและมันจะทำให้เกิดความโกรธความเกลียดและนำไปสู่ความรุนแรงอันนี้ถามว่าในเมื่อในเมื่อ ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมันมีความสํำคัญอย่างไรมันมีความสำคัญ ค, คือว่าถ้าเราต้องการให้สันติสุขกลับคืนมาทําให้ศีลธรรมกลับมาเนี่ยเราต้องทําให้ความโกรธความเกลียดเนี่ยมันลดน้อยถอยลงมันเบาบางลง เพราะมันคือร่างเง่าของความรุนแรงมันคือร่างเง่าของการเบียดเบียนของความไม่มีศีลธรรมนะความสงมบสุขไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้จากการไปกําจัดคนที่ก่อความรุนแรงเราชื่อว่าถ้าเราไปกาจัดคนเหล่านั้นเนี่ยบ้านมันจะสงบสุขนะเราเชื่อถ้ากําจัดผู้ร้าย ความสงบสุขก็จะกลับคืนมาแต่ถ้าเราไม่จัดการกับตัวตัณหามาน้าทิศทิเนี่ยเราก็หนีความรุนแรงไม่พ้นเราก็หนีการเอาเปลี่ยนเปลี่ยนัยนไม่พ้นอันนี้จะมาพยายามที่จะพูดเฉพาะประเด็นเรื่องของความรุนแรงนะซึ่งเกิดจากสามกองไก่เกลียด โกรธและกลัวส่วนการเอาระดับเปียกเกลียดเบียดกันซึ่งเกิดจาก3กมกองขังกิ น, ก, นการเปลียดอันนี้เอาไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้อย่างที่พูณนะก็คือปัญหาที่เราบอวอนตอกกันนะก็คือเรื่องความรุนแรงในสังคมความรุนแรงในบ้านเมืความรุนแรงในโลกการที่จะกําจัดความรุนแรงให้หมดไป นะหรือให้เบาบางไปเนี่ยเราไม่สามารถจะทำด้วยการกาจัดตัวบุคคลแต่ต้องจัดการที่ความโกรธความเกลียดและความกลัวถ้าเราไม่จัดการความโกรธความเกลียดความกลัวนะยังปล่อยให้ความโกรธความเกลียดความกลัวเนี่ยมันมันเกิดขึ้น ทั้งในจิตใจของเราและในสังคมเนี่ยความรุนแรงก็จะเกิดขึ้นไม่มีทสิ้นสุดครันี้เนี่ยเราจะจัดการกับความโกรธความเคลียดและความกลัวได้อย่างไรมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา ต้อลดที่ตัวเราก็ถ้าเราต้งารให้เสรีธรกลับมาต้องการให้ผู้คนเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อปูนกันไม่มีการทําร้ายกันเราต้องวดที่การกลับมาที่ตัวเราสิ่งที่เราทําได้คือไม่ส่งเสริมให้ความโกรธความเกลียดเนี่ยมันแค่กระจายไปมากกว่านี้ อย่าไปก็คือความปขดความเกลียดให้มันมากไปกว่าที่เป็นอยู่นี่คือสิ่งที่เราทําได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวกับการที่เราเนี่ยถ้าเราไม่ทาชั่วเนี่ยไม่ผิดศีลเนี่ยมันก็ช่วยสังคมได้เยอะเลยแต่ว่าถึงน่าเราจะไม่ผิดศีลนะ เราถือสิน้าครบแต่เราปล่อยให้ความโกรธเราส่งเสริมความโกรธความเกลียดให้กับคือมันก็สร้างปัญหาด้ยวยเหมอนกันถือสินค้าครบแต่อาจจะกระือความโกรธความเกลียดให้แหลายในสมภพที่ทำได้การวิพากษ์วิจารณ์ หรือว่าการการการพูดในเชวงที่กระตุ้นให้เกิดความสุดเกรียบต่อกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายมากอันนี้เราจะทุกคนตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับมีไม้ขีดไฟอยู่ในมือและ บรรยากาศรอบตัวตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับบรรยากาศที่อบอวลด้วยไอยน้ํามันถ้าทุกคนเนี่ยจุดไม่ฉีดแล้วก็โยนไปนะมันก็สามารถจะทําให้บอรรากาศที่อบอวลด้วยไอ้น้ำมั น, นมันรูปเป็นไฟได้สิ่งที่เราทําได้อย่างแรกคือเราไม่ไปจุดไม่ฉีกก็คือไม่ก็คือความปวดความเบียด ไม่ว่าทางเฟซบุ๊กไม่ว่าทางไลน์ไม่ว่าจากการพูดจาสนทนากันเดี๋ยวนี้เนี่ยเฟซบุ๊กไลน์เนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นวิีของการแพร่เชื้อความโวรความผิลดมากทีเดียวนะหลายคนเนี่ยพอเปิดเฟซบุ๊กแล้วก็เริ่มติด และพอติดแล้วเนี่ยนความโกรธความเกลียดมันก็มันก็ซึมเข้ามาในจิตใจมันแพร่เชื้อความโกรความเกลียดเข้ามาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับใจของเราเกิดความรุนร้อนเกิดความทุกข์ตอนนี้การที่เราจะไม่ไปกรคือความโกรธความเกลียดเนี่ย เราต้องพยายามทำให้ความปวดความเพลียไม่คลองใจเราเพราะธรรมชาติของความปวดความเพลียที่มันคลองใจแล้วเมื่อไหร่นะมันก็อยากจะกระพือต่อเป็หมือนเชื้อโรคก็เหมือ น, วนไวรัสและถ้ามันอยู่ในเซลล์ของเรานะมันก็จะผลิตแพร่ไวรัสมากขึ้เรื่อยๆตัวรทั่เซลล์ที่มันตายระเบิดไปเลยเพราะไวรัสมันอัดแน่นความปวดความเพลียเนี่พอมันเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็อยากจะแพร่ไปแพร่ไป นี่ถ้าเราจำไม่อยากจะมีส่วนในการกระตุ้ความปวดความเพียรเนี่ยเราต้องอย่าให้มันคลองใจใรเราโกรธเกลียดได้แต่ให้รู้ทันนะจะบอกว่าอย่าโรดรธเกลียดให้มันเป็นการร้องร้องมากเกินไปแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้คือเมื่อเกิดความปวดความเรียรขึ้นเนี่ยอย่าให้มันคลองใจใเราต้องรู้ทัน จะรู้ทันด้วยสติ ร, รู้รู้ทันด้วยปัญญาก็แล้วแต่แต่ว่าใหม่ๆยังต้องอาศัยการรู้ทันด้วยสตนะินั้นการรักษาใจของเราเนี่ยนะด้วยการมีสติรู้ทันความกลัวความเกลียดให้สําคัญมากเลยนะมันจะจุดเริ่มต้นการที่จะสร้างศีลธรรมหรือพาศีลธรรมให้กลับ ด้วยการรักษาใจของเราไม่ให้มีความโกรธความเกลียดข่มนั่นเลยต้องตระหนักว่าแม้เราจะเป็นคนธรรมะธรรมโมแม้จะเข้าว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะประมาตกิเลสในใจเราไม่ได้ประมาตตัณหามานั่งชุจุดในใจเราไม่ได้ตราบใดที่เรายังเป็นปุตรชนอยู่เนี่ยนะ ไอตัวที่จะ ก, กอ่อความรุนแรงข้างในเนี่ยและนาไปสู่ความรุนแรงภายนอกเนี่ยมันสามารถจะถึงขึ้นได้เสมอท่า น, นติดน้าทันเน้เคยพูดไว้นะเมื่อ34ปีที่แล้วอาตมาว่าเหมาะกับยุคสมัยนี้มากยุคสมัยที่วันมีระเบิดนะแผดกล้องอยู่ทั่วไป มันมีระเบิดอีกมากมายที่ยังไม่ได้แผกป้องท่นนานติ่ระกข่าวพูดไว้แล้วมีระเบิดอีกมากมายที่ยังไม่ได้แผ่กล้องระเบิดเหล่านั้นเนี่ยมันนเงียบอยู่ในใจเรามันกดดันอยู่ในใจเราและมันรอที่จะระเบิดมันรอที่จะ ถ้าถานทำลายชีวิตผู้คนในใจของเราเนี่ยคือมีระเบิดเวลานะฮะอย่าล้พี่ว่ามันมีแต่ผู้ก่อการร้ายที่วางระเบิดแต่ใจเราแต่ละคนเนี่ยมันมีระเบิดที่พร้อมจะกระทุ้ออกมามันอยู่ในใจของบุตรชนทุกคนและถ้าาว่ามันมันประทุ้มาเมื่อไหร่เนี่ย แม้ไม่มีอาวุธอะไรเลยเนี่ยก็สามารถฆ่าคนไดนะ้ในการสสบกัญญาเนี่ยผู้ก่อการลายที่ยิดเครื่องบินเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยนะแต่สามารถจะเอาเครื่องบินเนี่ยเป็นเป็นจรวดทำลายตึก world t a center ได้เพราะว่าใจเขาเนี่ยมันมีจุร่อความโกรธความเกใจของแต่ละคนเนี่ยมันมีความโกรธมันสามารถที่จะระบเบิดออกมาได้ เพราะนั้นเนี่ยเราอยากประมาทนะไอ้การที่เรามีสติรักษาใจของเราแล้วก็ตระหนักว่าถึงแม่เราจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมธรรมะธรมโมเนี่ยก็ยังวางใจไม่ได้แต่ใจที่กิเลสตัณหามานัทิศจิตมันยังอยู่และสิ่งที่จะช่วยทําให้ระเบิดเหล่านี้เนี่ยมันไม่ประทุกออกมามันกลายเป็นระเบิดที่ต้า น, นก็คือสติรักษาใจของเราไว้ อันนี้มันสัมพันธ์กับเรื่องของการที่เราเสพรับข่าวสารด้นะทุกวันนี้เนี่มันมีข้อมูลข่าวสารที่สามารถทำให้เราเนี่ยมีความกวดความเขียนได้ง่ายข้อมูลข่าวสารจำนวนมากเนี่ยเป็นข้อมูลที่ด้านเดียวและมันสามารถถ้าเราไม่ไม่มีสติไม่ตั้งสติให้ดีไม่รู้จักทวงเราก็จะหลงเชื่อ แล้วมันจะทำให้เราโกรธเราเกลียดและกลัวมากขึ้นตอนนี้ตมาช่อยเลว่าหลายคนเนี่ยมีความโกรธความเกลียดความกลัวชาวอุสลุลนะีเพราะว่าเห็นว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนนิยมความรุนแรงอันนี้คือข้อมูลที่เราได้ไปฟังมานะจาก Facebook จากไลน์จากสุมมชนแต่มันเป็นข้อมูลด้านเดียว ชามุสริมจำนวนมากเนี่ยต้องเรียกว่าส่วนข้างมากเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับผู้ก่อการร้ายมันมีข้อมูลที่น่าสนใจนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปีหนึ่งสี่เนี่ยมันมีคนตายเพราะการก่อการร้ายประมาณสามหมื่นคนทั่วโลกนะทราบไหมฮะสองในสามเนี่ยของการของคนที่ตายในเหตุการณ์ก่อการร้ายเนี่ยมันเกิดขึ้น ในประเทศมุสลิมสองในสามของผของเหยื่อการก่อการร้ายเนี่ยนะเป็นชาวมุสลิมในกีเรียอิรักซีเรียสูดานมันแสดงว่าคนมุสลิมก็ไป็นเหยื่อการก่อการร้ายคนมุสลิมไม่ใช่เป็นผู้ก่อการร้าย ไปทั้งหมดแท้จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นหยื่ของการก่อการรายยุ่ซ้ำตัวเลขทน่มนสาสะท้อนเห็นว่าแรบบ้กองคนมุสลิมเองเนี่ยก็ทําผันกันท่าผันกับพราอะไรเพราะความแตกเพราะความยึกติดถือมั่นในทิศถิในาศาสนาในวิการองตัวให้ความที่ว่าชาวมุสลิมเป็นผูก้กระทำเนี่ย มันเป็นความคิดมันเป็นข้อมูลที่เกิดจากการมองด้านเดียวนความมุสลส่วนใหญ่เป็นเยียวกันก่อการร้ายและกว่าสองห่นคนเนี่ยครึ่งนึงเนี่ยเกิดจากากลุ่มผู้ก่อการร้ายสองกลุ่มนะโบฮัวคารามที่นนกีเรียกับออคนกลุ่มนี้นี่ก็กลายเป็นปัญหาของชาว ม, มุสลิม น, นะพวกอรุดูแลเนี่ยก็เป็นปัญหาขางมุสลิมเหมือนกัน มันไม่ใช่ ป, ปัญหาของของเราชอบพุ่งอยู่แต่ ป, ปัญหาของคนในโลกขนาดนั้นนะเป็นปัญหาของ ม, น, ม, น, มนุษย์ยุสเร็งด้วยนี่ถ้าเรามีข้อมูลด้านนี้เราก็จะพบว่าเออการที่จะมองว่าคนยุสนเนีงเขาเป็นพู้ก่อการลายเนี่ยนะมันเป็นการมองด้านเดียวและถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดความโปวดความเปลี่ยนและความกลัวแต่ถ้าเรา ม, มีข้อมูลที่หลากหลายเนี่ยนะหรือว่าไมไ่ไม่ได้เชื่อข้อมูลที่เราได้ยินมา ทันทีเพียงเพราะว่ามันสอดคล้องกับความคามิดเดิมของเรานะีอันนี้ก็จะทำให้ให้ความต่อความเปลี่ยนให้มันมันเบาบางลงทาสอนเรื่องกลงมามสูตรจาเป็นมากนะะสําหรับบุตรเนี้ยนะพระพุทธเจ้ า, จ, าจะตัดเอาไว้เมื่อสองพร้อยปีมาแล้วแต่ที่นี่ย่งสาคัญมากพุทธเจ้าตรัส ว, ว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะเสียงเล่าเลืออย่าเชื่อเพียงเพราะว่าเล่าสื่อจิตตมา หรือทําต่อๆกันมาอย่าเชื่อเพียงเพราะเข้าได้กับคิดเข้าได้กั บ, กบทิศฐี่ควา ม, มางตัวสําคัญมากนะความข้อมูลบางอย่างเนี่ยพอมันเข้ากับความคิดตงเดิมของเราเราเชื่อทันทีเลยสมมุติเราเห็นว่านักนการเมืนงนีนเ่เลวเนี่ยพอเราได้ข่าวไม่ใช่เป็นข่าวข่าวเช่นนะเราเชื่อทันทีเพราะมันเข้าได้กับความคิดของเราอยู่แล้วอย่าเชื่อ เพียงเพราะรูปลักษณะหน่าเชื่อถือนะอย่าเชื่อเ้อาการรู้ ม, มานะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งสติให้ดีในการเสพ ร, รับข้อมูลข่าวสารมาช่วนยะทาให้เราเนี่ยตัวความโกรธความเกลียดเข้ามาคร่องกับจิตใจเราได้ยากประการต่อมาคือต้อมีความใจกว้างนะไม่คับแคลตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น มันจะเป็นตัวช่วยบรรเทาผลเสียของความยึดติดถือมั่นในความคิดที่ภาษาพูดว่าคือถูกปากทานความยึดติดถือมั่นเนี่ยเป็นขี้หมันความทุกข์และนําไปสู่การเบียเดเบียนและความยึดติดถือมั่นในความคิดเนี่ยเป็นอันตรายอย่างหนึง่งนะที่อาจามาได้พูดมาตั้งแต่แรกว่าถ้าเรายึดติดถือมั่นในความคิดของเราเนี่ยมันสามารถทำให้เราเกิดความ โกรดและเกลียดคนที่คิดต่างกับเราและจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นผู้กครองจ่งอยู่ความของเราเนี่ยอาจจะดีนะแต่แม้กระทั่งความคิดที่ดี ยึดติดหรืมันเมื่อไหร่มันก็กลายเป็นโทษได้อัตมาชอบที่หลวงพ่อเคฟื่องนะโชติโกเนี่ยท่านวูว่าแม้ความคิดเราจะผูกแต่ถ้า ย, ยึดมันเมื่อไหร่มันก็ผิดความดีเนี่ยถ้า ย, ยึดมันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็กลายเป็นความเลวเร่ง่ายนะข้อ ที่มีความยึดมั่นถือมั่นในในความคิดของตัวพ่อเป็นคนธรรมะธรรมโมอยากจะให้ลูกนีมีละเอียดวินัถือมีศีลมีธรรมตั้งใจเรียนแต่ลูกเนี่ยไม่ยอมช่วยฟังพ่อแม่เที่ยวเล่นตามภาษาเด็กมัธยมวันหนึ่งพ่อบอกลูกว่า ลูกอยากจะไปขับรถไปหาหาเพื่อนตอนกลางคืนพ่อห้าเพราะว่าอยากให้ลูกเนี่ยตั้งใจเรียนหนังสือลูกไม่เชื่อลูกเอารถของพ่อขับไปหาเพื่อนพ่อโกรธมากขัดคําสั่งพ่อไปเรียกลูกกลับมาแล้วก็ทะเลาะกันที่บ้านพ่อด่าลูกลูกเถียงพ่อพ่อโกรธ ลูกก็ไลรับเสียงพ่อมีการลงไม้ลงมือจังสุดท้ายเนี่ยพอลูกเนี่ยเริ่มต่อสู้ขัดขืนพ่ออดวนทนไม่ได้ห้ามใจไม่อยู่ก็เอาปืนยิงลูกสาพอลรอบเกิดอะไรขึ้นนะพ่ออยู่ตัวเองตายเลยพ่อเป็นคนธรรมาติธรมโมนะพ่ออยากจะให้ลูกได้ดีได้ดีนะมีระเบียบพิจารณ์ แต่พอลูกไม่ทำตามที่พ่อสั่งหรือลูกไม่ดีอย่างที่พ่อคาดหวังเสียใจผิดหวังแล้วก็โกรธแล้วก็เกลียดพอเกลียดทีนี้นะมันพร้อมที่จะทำรายอันนี้เป็นตัวอย่างนรคนที่ทำผิดพอายึด ม, มั่นในความถูกต้อง เราต้องระวังฮะความยึดความถูกต้องเนี่ยดีแต่ถ้ายึดมั่นเมื่อไเนี่ยมันสามารถจะนำไปสู่การทำผิดได้มีความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในานามความความถูกต้องเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะความความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในานามงความดีในานามของศีลธรรมในนามของพระเจ้าในา น, Lions, ในามของการพิทักษ์ปกป้องศาสนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมากมายในบริีาสาม ซึ่งเราต้องระวังนะเพราะว่าถ้าถ้าเราต้องการความถูกต้องแล้วแล้วไปยึดมั่นในความถูกต้องเนี่ยเราอาจจะเผลอทำสิ่งที่ผิดได้เพอเมื่อยึดมั่นในความถูกต้องเนี่ยพอเจอความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดความไม่พอใจและความไม่พอใจกันความโกรธและความโกรธกันความลืมตัวและลืมตัวแล้วเนี่ยมันก็ทําร้ายได้มีเหตุการณ์หนึ่งน่าสนใจนะ ที่เศอเมริกาเนี่ยมันมีสํานักปฏิบัติธรรมสานักนึ่งนะส่วนใหญ่ก็สมาชิกจะเป็นคารวาสไม่มีพระสมาชิกในสํานักปฏิบัติธรรมเนี่ยมีความเห็นว่าอยากจะจัดให้มีการอบรมเรื่องสันติวิธีเพราะว่ามันจําเป็นมากในการขี้าขาความขัดแย้งในครอบครัว ในที่ทำ ง, งานในสังคมก็ไปเชิญวิทยากรคนหนึ่งมามีการอบรมสันชีวิธีอยู่สามสองวันวันแรกก็ราบรื่นดีวันที่สองในวิทยากรก็ต้องการสุดให้ันยากขึ้นก็มีการสมมุติว่ามีผู้ก่อการร้ายมาจับตัวประกันสองคนนะ ตอนนี้ก็โจทย์ก็คือว่าให้ที่เหลือเนี่ยเจรจารกับผู้ก่อการร้ายทําไงเขาถึงจะปล่อยผู้ก่อทำงานเขาถึางจะปล่อยตัวประกันใช่ไหมวิทยากรเนี่ยก็สมบนบาทเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็แจกบนบาทกันเียบร้อยพอเริ่มต้นเนี่ยไม่ทันไรเนี่ยวิทยากรก็จุดบุญสูง ก็มีคนบอกว่าที่ที่ห้ามสูบบุหรี่นี่มันห้องสมนมคือสถานที่เนี่ยจับโรนเนมันจัดอยู่ในสถานที่สมนมที่นี่ห้าสูบบุหรีนะผู้กอการร้ายบอกว่าผมจะจุดสักอย่างเนี่ยมีอะไรไหมสมาชิกก็บอกว่าถ้าคุณจุดบุหรี ถ้าคุณสูบุรี่ในนี้เราก็ไม่เจรจา ก, กับคุณควกกันรักก็บอกว่าก็ได้ผมไม่จุดก็ได้แล้วก็เอาที่บุรีนเนี่ยไปกี้ตรงปากพ่อพุทธรูปนะพอคนที่ปฏิบัติธรรมเห็นนะก็ไม่พอใจก็บอกว่าคุณไม่รู้หรือว่าเนี่ยมันพ่อพุทธรูปนะ คุณทําอย่างนั้นได้ยังไงวิเชียรเป้าบอกว่าผมไม่สนใจนะไม่ใช่พระทูตหลวของผมไม่ใช่อสมบัติของผมผู้วิชาการก็เลยบอกว่าอันนี้แกสแติแตวนะก็ลืมบทบาทเป็นหมดนะไอ้เรื่องเรื่องสมบัติบาทนี่ไม่สนใจนะก็บอกว่าพวกเราเชิญคุณมาเนี่ยให้มาไปเรียบก่อนเนี่ยนะ ก็รู้ว่าคุณไม่ใช่พุทธนะแต่คุณควรจะเครารพสถานที่ผูก่อการร้ายบอกว่าอยากจะรู้ใช่ไหมว่าผมอยากเครารพสถานที่ยังไงอยากก็เดินไปที่มุมห้องนะแล้วก็ฉี่พอฉี่เท่านั้นนะผอ้คนที่ปฏิบัติธรรมนะทนไม่ได้เลยนะลุญเข้าไปสปกปรกเลยนะแตะทีก็แกเป็นการใหญ่เลยนะบอกไนนม่แล้ะบกลมสันติวิถีพูดเลิก ล, กรรลนะกิจสกปรกมึงไง เปน็นการจบนะคำถามคือว่าในเมื่อมาสู่อบรมสันิวิธีเนี่ยแต่ทำไมผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยลงเออด้วยการไปเตะต่อยเขาครั้งที่หลายคนเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่เคยทำร้ายใครกินมังสวิรัต์ด้วยนะแต่ทำไมเตะต่อยวิทยากรนะ คำตอบคือว่าเขาค่อยๆว่ามัไม่ถูกต้องผู้ปฏิบาติธรเห็นว่าเนี่ยที่วิทยากรคนนี้ทำมันไม่ถูกต้องแต่เขาลืมไปว่าที่เป็นการสแสดงนี่ไม่ใช่ของจริงที่เป็นการสแสดงและ ว, วิทยากรในต้องการที่จะให้โจทย์ยากๆเพื่อที่จะยั่วยุ ว, ว่าเมื่อเจอเรื่องกระทบใจเนี่ยเราจะใช้สันผัสวิธีใดอย่างไรแต่ว่าทําไมเนี่ยผู้ปฏิบาติธรรมทีเป็นชาวพูดเนี่ย สนใจันเปวิธีนะไม่ใช่คนธรรมดานะแต่ทำไมลงเลยด้วยการเตะต่อเนี่ยเป็นเพราะเห็นความไม่ถูกต้องนะจุดบุรีซูบุรีในห้องเอาบุรีไปไ ป, ไปที่ยี่ยที่พระพาหาตักกุทุลู่แล้วามไปฉี่ลงมุมห้องเนี่ยมันไม่ถูกต้องชัดๆนะแต่เพราะยึดมันในความถูกต้องเนี่ย พอเจอความไม่ถูกต้องเนี่ยลืมตัวลืมไปเลย ว, ว่านี่คือการแสดงลืมไปเลยว่านี่คือการ ส, ววา ก, ารสกสันติทิ่ผีสอบตกเลยนะบางทีจะเป็นแค่ที่เป็นแค่การการซ้อมนี่เปนตัวอย่างเนี่ว่าคนเราเนี่ยถ้าเราการที่เรามีการที่เรามีสำนึมมเรื่องความถูกต้องไปเติ่ดีนะแต่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมันกับมันมากเนี่ยเราอาจจะกลายไปอาจจะลงเอยด้วยการทาสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ได้ ไม่ถูกต้องในฐานะชาวพุทธนะคือว่าใช้วความรุนแรงนะไม่ถูกต้องในฐานะคนที่ต้องการถึกสัติวิถีนะนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะว่าความถูกต้องเนี่ยยึดมั่นถือมั่นมากก็อันตรายอันนี้จากพระราชาท่านพูดเลยนะว่าความดีเนี่ยถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมากเนี่ยมันก็กัดเจ้าของได้เราทุกข์เพราะความดีนี่เยอะแต่ไม่ใช่ทุกข์เพราะความดีเยอะเราสามารถจะทําให้คนอื่นทุกข์ เพราะการยึดมันในความดีของเราก็ได้บินลาเดนหรือไอเอสเนี่ยคนี่เขาช่วยเขาทำความดีนะกำลัลงทำความดีพระเจ้าแต่ในเมื่อมันมีความไม่ดีเกิดขึ้น mm hmm. เขาก็ต้องทำลายนะในปารีสเนี่ยนะพวกนี้นะแสวงหาความเขาไอเอสไม่เกียดพวกพวกฝรั่งเศสมากนะว่า เป็นพวกวัตถุนิยมบริโภคนิยมบูชาเนื้อห น, นังนะมันเป็นวัฒนธรรมที่มินิยามพระเจ้าเพราะฉะนั้นต้องทําลายเขาทํานนามคําถูกต้องนะเขาทำในนามของอุดมการณ์สูงส่งคือพระเจ้าแต่ความยิ่มั่นถือมั่นเขาเนี่ยมันก็สามารถทําให้เขาทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ได้ทาชั่วก็ได้และจะมาเชั่วเนี่ยอันนี้เป็สิ่งที่เราต้องระวังมากเลยเพราะผู้ใฝ่ธํา ผู้ใส่คันต้องระวังมากเพราะบางทีแล้วเนี่ยเรายึดมั่นว่าเราเรามีเราเป็นคนดีเรามีความเชื่อที่ดีมาแต่พอเรายึดมั่นในความเชื่อของเราเนะอย่างต่ำๆมันก็จะไปบังคับให้กันอยู่เนี่ยเชื่อเหมือนเราหรือถ้าเขาเชื่อไม่เหมือนเราแล้วก็ตีเข้าเป็นศัตรู และเกิดความโกรธและความเกลียดที่อาจารย์เพื่อนเคยกลวิบบอรเนี่ยความเห็นของเราแม้จะถูกนะแต่ถ้ายึดมันเมื่อไหร่เนี่ยมันผิดเพราะอย่างนี้แล้วไม่มีอะไรที่ยึดมันถูกมันได้เล ย, เลยและยึดมันเนี่ยกลับนำไปสู่ปัญหาไดา้ที่จริงเรื่องที่จากก่าประกาศไปนะว่าคำสอนของพระองค์เนี่ยเป็นกับแพร ที่เอาไว้ข้ามฝั่งเมื่อข้ามฝั่งแล้วไม่มีใครไม่มีคนฉลาดคนไหนนะที่จะแบกแพ้ขึ้นฝั่งไปด้วยต้องวางแพไว้ที่เดิมแล้วก็เดินตัวป่าขึ้นฝั่งชั้นใดก็ชั้นนั้นคำที่พระพุทธองค์ได้สอนได้แสดงเนี่ยก็ไม่ควรยึดมั่นถืนมันนี่ขณะดกุศลธรรมนะไม่ต้องพูดถึงอกุศลธรรมยิ่ง ยึดมัน่นหรืมั่นไม่ได้เลยคราวนี้เนี่ยเมื่อเมื่อเราเมื่อเรามีความใจกว้างแล้วก็ตระหนักถึงโทษของความยึดติดถรืมั่นในความคิดเป็นโทษของความยึดติดหรืมัน่นแล้วกระทั่งในความถูกต้องแล้วเนี่ยนะเราต้องพยายามที่จะก้าวข้าม ความคิดแบบเราและเขาดีและชั่วให้ได้จะไปมองว่าเราดีคนอื่ชั่วพวกเราดีพวกนั้นชั่วเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนดีกับคนชั่วเนี่ยมันมันไม่ได้แยกกันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยความดีวความชั่วก็แยจากกันได้ยากอาตมาชอบที่ นักเขียนชาวชาวรัสเซียคนหนึ่งนะแกชื่อโซเ i นิสินได้รางวัลโนเบลเมื่อสีสิิปีที่แล้วแกบอกว่ามันจะง่ายการสักเพียงใดถ้าเพียงแต่คิดว่าคนชั่วร้ายอยู่ที่ไหนสักแห่งแล้วคอยทำสิ่งชั่วร้ายแล้วก็เพียงแค่แยกเขาออกมาแล้วกำจัดเขาเสียมันก็จบ แต่เส้นแบ่งระหว่างความดีกับความชั่วแท้จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ในใจเราเส้นแบ่งระหว่างความดีความชั่วยังในใจเราก็คือว่าในใจเราก็มีทั้งดีและชั่วแต่คนไม่ค่อยตระหนักถึงเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะใครเล่าเนี่ยที่จะอยากจะทําลายบางส่วนในใจของเราหรือผู้ใหญ่ใครเล่าที่อยากจ ะ, อ ย, กจะอยากจะมา เล่นงานตัวเองการไปกําจัดคนชั่วเนี่ยทั้งนอเ น, นี่งา่ายแต่การกําจัดความชั่วในใจเราเนี่ ย, ยากเพราะธรรมชาติคนเราเนี่ยมักจะยอมรับไม่ได้ว่าเรามีความไม่ดีมีความชั่วแต่อย่างที่ท่านติณานคารบอกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมีระเบิดอยู่ข้างในและระเบิดเนี่ยพร้อมจะประทุหรือแผลก้องเมื่อไหรก็ได้แต่ถ้าเรามีสติ ไม่ประมาทไม่หลงตนเราก็จะสามารถที่จะควบคุมไม่ให้ระเบิดนี่ามันระเบิดและเราสามารถที่จะทําให้มันค่อยๆเดือนหายไปต้องกลับมาจัดการจิ่ใจของเราแต่คนส่วนใหญ่เนื่องจากมองคิดมองอะไรแบบแยกส่วนเป็นภทวิภาวะก็จะมองว่าคนเราดีคนอื่นชั่วมันง่ายมากที่จะมองว่าคนอื่นชั่วและเราดีและง่ายมากที่จะกําจัดคน คนเราเนี่ยออกไปมันดีกว่ามันง่ายกว่าที่จะมันดีกว่าที่จะเล่นงานความชั่วในใจเราแต่จริงถ้าพูดง่ายๆนะการที่เรามาจัดการกับความชั่ว ใ, ในใจเราเนี่ยหรือขี้อะไในใจเราเนี่ยมันง่ายกว่ามันเป็นกุศลมากกว่าแต่คนส่วนใหญ่มองว่าการมาเล่นงานความชั่วในใจเป็นเรื่องยากไปกาจัดคนอื่นข้างนอกเนี่ยมันง่ายกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดแบบนี้เนี่ยไอการที่ความรุนแรงในโลกที่จะหมดไปเนี่ยก็เกิดที่นไยากประการต่อมาคือว่าเมื่อเรารู้จักควบคุมใจและไม่ให้ความโกรดความเกลยดข้องํำแล้วก็มีความคิจิตไปพลวิภาวะเนี่ยสิ่งทั้งการประการต่อมาคือการ แก้ปัญหาด้วยสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงเป็นคําตอบเพราะถ้าเราใช้ความรุนแรงมันจะไม่ได้ลดความโกรธความเกลียดแม้เราจะจากําจัดคนอื่นได้ที่น้องของเขาเพื่อนของเขาก็จะโกรธจะเกลียดแล้วความโกรธความเกลียดก็จะแพร่ละบาดและนำประสูบความรุนแรง ความรุนแรงเนี่ยมันไม่แก้ปัญหานะมีหนักซ้ำกับซ้ำเติมปัญหาแต่สหนึ่งที่เราให้ความรุนแรงเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะอย่างที่ธรตมมาบอกความคิดมั่นในความถูกต้องของตัวความคิดว่าเราดีเขาชั่วและความคิดว่าเมื่อวิธีการเมื่อจุดหมายถูกต้องแล้วจะใช้วิธีการใดก็ได้หรือความคิดว่าคนชั่วเนี่ยทาอะไรกับมันก็ดีทั้งนั้นนะเพราะคนชั่วนี่มีสิทธิ์เป็นศูนย์ น, นี้ก็เป็นท่าสา ก, กติที่แพร่หลายในหมู่คนทั่วไปว่าคนชั่วคนเรียนวิสิทธิ์เป็นศูนย์คนชั่วเนี่ยนะเราทำยังไงกับมันก็ได้ซอ้อมกระทืขณะที่ทำมาทาแผนปฏิสัตยปฏิสัรกรรมหรือให้ประหารชุดตไปเลยวิสามาญาตกรรมความที่แบบนี้มันไม่ได้แก้ปัญหานะ เพราะว่ามันยิ่งทําให้ความโกรธความเกลียดแค่ระบาสมิชชามพูดไยแล้วเนี่ยนะมันต้องยิดมมากในสันติวิธีจะไปใช้ความคิดว่าเขาแรงมาเราก็ต้องแรงไปตาต่อตาฟันต่อฟันเนื่ออันนั้นไม่ใช่พิสัยชาวคุณอัตมาชอบที่อาจารย์ประโมทพูดนะเมื่อเร็วๆนี้ต้องบอกว่าที่มีคนพยายไปเรียกร้องเชิญชวในให้คนมาเผาเมตสยิบเนี่ย มันผิดศีลนะและถ้ารักษาศีลไม่ได้จะรักษาศาสนาได้อย่างไรถ้ารักษาศีลไม่ได้จะรักษาพุทธศาสนาได้อย่างไรโอ้นี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นคำพูดที่ที่ตรงมากเลยนะังนั้นถ้าเราถ้าเราจะรักษาพุทธศาสนาเราจะรักษาความดีความถูกต้องให้เกิดขึ้นในสังคมต้องใช้สติวิธี ถ้าเราจะรักษาความสงบสุขให้เกิดขึ้นหรือทำให้ความสงบสุขกลับคืนมาเราต้องใช้วิธีที่สันติถ้าเราต้องให้เสรีธรรมกลับมาเราต้องใช้วิธีการที่ถูกศีลถูกธรรมและนั่นคือสันติวิธีและนี่คือคือวิธีการที่สอดคล้องกับที่พุทธเจ้าเรีกลับพนะุทธเจ้าตรัว่าเนี่ยเราก็คงรุง่นเพยนะ จงเอาชนะความโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธเอาชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะความตนหนีด้วยการให้เอาชนะความเท็จ ด, ด้วยสัจจะยิ่งฝ่ายต่อการร้ายใช้ความดูแลมาเท่าไหร่เราต้องใช้สันติวิธียิ่งเช่าก็ใช้ความมดเท็จมาเท่าไหร่ต้องใช้สัจจะอัตมาชอบหน้าที่นายรัฐมนตรีนอร์เวย์เนี่ยเ ถ้าเราจำได้เมื่อสปีที่แล้วเนี่ยมันมีการก่อการร้ายที่ประเทศนอร์เวย์ตายไปเกือบแปสิบคนมือปืนนี่ีคนเดียวนะเป็นชาวนอร์เวย์เป็นฝ่ายขวาหัวรุนแรงฝ่ายขวาไม่ใช่มุสลิมนะฆ่าเด็กตายเกื่อนเลยบอกว่าถูกจับนะไม่ถูกยิงทิ้งนะเอาขึ้นศาลนัยรัฐมนตรีแกบอกว่าคือ พวกหัวรุนแรงคนนี้แกแกต่อต้านยู่บายรัฐบาลที่ต้องการที่ส่งเสริมต้องสันติภาพประชาธิปไตยเปิดกว้างคนค น, ค น, ค, นคนต่างศาสนาหรือผู้ริยัยาแล้วมตรีจะบอกว่าวิธีที่จะรับมือกับคนกับการก่อการร้าย แ, แบบนี้เนี่ยก็คือทำให้มีประชาธิปไตยมากขึ้น เปิดกว้างมากขึ้นมีมนุษยธรรมมากขึ้นยิ่งเข้ามาด้วยความคิดที่ขับแฉยิ่งเข้ามาด้วยความคิดที่ไร้มนุษยธรรมเนี่ยยิ่งต้องเอาความเปิดกว้างสู้กับเขาเอามนุษยธรรมสู้กับเขาอันนี้ก็สอนครั้งที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยถ้าเข้ามาด้วยความโกรธต้องเอาความไม่โกรสู้กับเขาถ้าเข้ามาด้วยความเท็จต้องเอาสัจจะสู้กับเขาถ้าเข้ามาด้วยความชั่วต้องเอาความดีสู้กับเขาะ และนี่แหละคือเหว่าทําไมนะถึงต้องใช้สันติวิธีและถ้าเป็นไปได้นะเราต้องพร้อมที่จะให้แพร่ไนะพร้อมที่จะให้แพร่ให้ความรักแม้กระทั่งคนที่เห็นตาจากเราหรือแม้กระทั่งคนที่เขาทําร้ายเราด้วยซ้ํำผู้เจ้าตรัสว่าหากมีโจรชั่ว มาเลื่อยอวัยวะของเราให้ขาดเป็นสองท่อนถ้าผู้ใดมีจิตคิดร้ายในโจนผู้นั้นถือว่าไม่ได้ทําตามคาสอนของเราและพระองค์ก็บอกว่าเนี่ยเมื่อเจอเหตุกรรมอนิพพินสาเนียกว่าเราจะไม่มีจิตคิดร้ายจะไม่ไม่มีจิตแปรผันจะไม่กล่าววาจาชั่ว ย, ยาวกับคนเหล่านั้น จะมีแต่ความมุ่งอนุเคราะห์สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและมีเมตตาไม่มีโทสะอยู่ภายในอุ้ น, นี่เป็นคำสอนพุทธเจ้าซึ่งซึ่งเรียกว่าประเสริฐมากนะน่าจะทำยากก็คือว่าให้มีความรักไม่มีความโกรธความเลียดแม้กระทั่งผู้ที่ทำร้ายเราอันนี้เป็นจุดยนขอชาวพุทธเลยนะซึ่งวิธีนี้เขาแหะที่จะเอาชนะความรุนแรงเอาชนะ ความปวดความเปรียดได้คานธี่ทดไว้น่าสในใจคานธีบอกว่ามันเป็นการง่ายที่จะเป็นเพื่อนกับคนที่ดีกับเราแต่สิ่งที่เราควรทำนะก็คือการเป็นมิตรกับคนที่ขอเป็นศัตรูกับเรานี่แหละคือแก่นแท้ของศาสนาที่เหลือนอกนั้นเป็นแค่การทําธุรกิจหมายความว่าเวลาทําธุรกิจเนี่ยใครดีกับเราเราก็ดีต่อ แต่ศาสนาไปมากกว่านะั้นคือว่าแม้กระัง่งคนที่เป็นศัตรูเราก็สามารถจะรักเขาได้ยากก็จริงนะแต่เป็นสิ่งที่เราควรทำหรอควรเป็นจุดมุ่งหมายที่จริงนิพพานยากกว่านี้นะแต่เราก็ยังคิดเรายังเอาพระ น, นิพพานไปเข้ามาชีพได้แม้จะมาคิดว่าในในยุคที่มันเต็มไปด้วยความรุนวายเต็มไปด้วย ความโกรธความเปลียนเนี่ยการที่เราจะพยายามการที่เราพยายามรักษาใจของเราเนี่ยเให้ความโกรธความเปลียนเข้ามาครอบงำด้วยการที่มีสติด้วยการมีใจที่กว้างไม่ยึรู้เท่าทันความยึดติดถือมั่นในในความคิดของเราซึ่งเป็นธรรมดาผุ้บุชค น, นะแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันครองใจเนี่ยแล้วก็พยายามใช้สตนะิวิธีเท่าที่เราจะทําได้ และถามว่าเราสามารถพัฒนาจิตใจทั้งมี้แม้แต่แลก้กระทําคนที่คิดแตกต่างกักเรานคน ท, ที่คิดร้ายกับเราเนี่ยอันนั้นก็เป็นวิธีการที่จะส่งพลังมากนในการที่จะทำให้ช่วยทําให้เสียธรรมกลับมาช่วยทําให้ความเกลีดความเกลียดมันมาลายไปจากสังคมหรือว่าลดน้อยถอยลงและวิทีนี้แหละที่ทําให้สติสุขเนี่ยกลับคืนมาอย่างน้อยน้อยเนี่ยก็ ในใจของเราต้อมาก็ใช้เราพอสมควรนะครก็ขออ่าวิสัยทันนี้ถ้ามีเวลาอยู่ก็ก็เปลนสักถามได้ นอกจากวันนีเ้เป็นดีกรีกรรฟังคำ ต, ตามการแล้วก็ก็น่าจะเป็นโอกาสที่จะได้สดนทนาคำตามการด้วยถ้ามีท่านไหนที่มีข้อสงสัยก็ยกมือได้ครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จ ะ, ะเดินไปไปที่ทาน จะทำอยูแล้ว ถ้าจำพรหมวังโซเนี่ยท่านเคยเล่าเป็นบทแรกในหนังสือเรื่องชวนพ่นชื่อเล่มสองมีฝรั่งมาถามท่านว่าถ้าเกิดเขาจะเอาพระตไตรปิฎกเนี่ยนะฉีดลงส้วมค่าจะทำอย่างไรเอาพระตไตรปิฎกเนี่ยฉีดลงส้วมนะท่านบอกว่าก็ต้องไปเรียกช่างปาปานะ เือนันหัวร้อเลยนะแค่เนี้ยเหงือกบอกใช่เลยก็ถ้าฉีดลงส้วมก็ต้องตันเนะี่ยก็ต้องรีกช่า ง, งประปลามาคือท่านบอกว่าหนังสือเนี่ยอันนี้ท่าอาจจะพูดแบบแบบเรียกว่าท่านบอกว่าหนังสือหรือแม้รั่บุคคลเนี่ยไม่ใช่ตัวศาสนาศาสนาคือความรักความเมตตาการให้อภัยแม้จะมีแม้จะมีวัดเยอะจะมีคำภีร์เยอะนะ มีคนบวชเยอะแต่ถ้าเมื่อใด ต, ตามที่คนไม่มีความรักไม่มีความเมตตาไม่ ม, มีคาภัยเนี่ยอันนี้มันก็เปลี่ยนได้กับการทิ้งาศาสนาลงส้งวมเข้าใจไหมฮะคือนี่นี่ท่านเล่าเนี่ยนะมันน่าคิดนะแล้วก็อาจจะแรงในความรู้สึกของหลายคนแต่ถ้าประเด็นนั้นคือว่าถามว่าเขาฉีบอาตมาคิดต่อนะเขาฉีบพระเตวิโดกลงส้วมเนี่ยเพราะอะไรเขต้องการยั่วยุ เราโกรธเราก็ต้องรู้ว่าเขาเราก็ต้องไปยอมเทียบเข้าไปในเกมของเขาการที่เราไม่โกรธเนี่ยมันก็เท่ากับ ว, ว่าเราชนะเขาแล้วใช่มเพราะต้องการกายุ่ยยุเราโกรธเนี่ยฮะถ้าเราเล่าโกรธแล้วก็แพ้เขาเราต้องไม่โกรธแต่ว่าอาตมาคิดว่าในกรณีนี้เขต้องทํามากกว่านี้นะเขต้อ ง, ต, องต้องคุยนะต้องทํากิจและทําจิตทำจิตคือไม่โกรธ ไม่โกรธและไม่เกลียดเขานะทำกิจก็คือว่าต้องคุยต้องเจรจาเขาว่าเขาทำนั้นคืออะไรนะแต่เราจะยึดมั่นในการที่จะไม่ใช้ความรุรแรงกับเขาใช้การเจรจามีเหตุการณ์หนึ่งนะซึ่งอันนี้เนี่ยน่าประทับใจมากนะในเกาหลีนี่มาสักสองสามรอยปีกว่าจะมาจำปีไม่ได้นะ เกาหลีเนี่ยมันก็มีมีวัดวัดหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในเมืองเมืองหนึ่งแล้วก็ศัตรูของอีกเมืองหนึ่งเนี่ยศัตรูของกองทัพของของกองทัพที่เป็นศัตรูของเมืองเมืองนี้เนี่ยก็เข้ามาบุกผมไม่ได้นักสืบพูดแต่นักผมจื้อมาบุกทําลายเมืองแล้วก็มาถึงวัดนี้คนในวัดเนี่ยพระในวัดเนี่ยก็แายตื่นนี้ไปหมดเลยแต่มีเจ้าอาวาสเนี่ยไม่หนี แม่ทัพคนนั้นมาถึงก็ยืนสนทนากับเจ้าอาวาสแม่ทัพคนนั้นบอกว่าท่านรู้ไหมว่าข้าพเจ้าเป็นใครท่านรู้ไหมว่าข้าพเจ้าเนี่ยสามารถจะฟันท่านให้ขาดเป็นสองทนะ่อนได้เจ้าอาวาสมันตอบยังว่าไง ท่านรู้หมข้าพเจ้าเป็นใครข้าพเจ้าพร้อมที่ให้ท่านฟันขาดสองท่อนโดยตามไม่กับพริบบอกว่าใครเก่งกว่ากันระหว่างคนที่ฟันให้ขาดสองท่อนกับคนที่ยอมให้ฟันโดยที่ตามไม่กระพริบเน่ะใครเก่งกว่ากันแม้ถ้าคนนั้นยอมเลยนะแพ้ใจใช่ไหมไม่ทําอะไรจะเจ้าว่าใช่ไหมไม่เผาเพราะสุ่ดโห่เนี่ยของจริง คือท่านไม่โกรธ ok, และท่านยอมให้ทำนะแล้วมาเช่นเนี่ยคือคือหัวใจพุทธนะมีพระรามาองค์หนึ่งนะชื่อรามายเช่แเนี่ยรามาเช่ลาเซเมื่อจีนเข้าไปยึดที่แบเนี่ยเมื่อ6กสิบปีที่แล้วเนี่ยท่านไม่ได้หนีทารามาเนี่ยอุยบมาธรรมศารลาเดรามะลาเซไม่หนี และถูการมานถูการมานมิสิบปีจนกระทั่งเนี่ยท่านได้รับการได้รับอิสระท่านก็รีพัยมาอยู่อินเดียก็แก่เลยนะมีนักข่าวไปถามท่านว่าไอ้ตอนที่ท่านถูกจับที่ถูกทร่มาถูกอินเดียจับเนี่ยไอ้ถูกจีนนี่จับเนี่ ย, ยช่วงไหนเป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดสำหรับท่านคนถามก็นึกว่าท่านจะพูดถึงการทรมาน เขาบอกว่าช่วงที่เลวร้ายสุดคือช่วงที่อาตมากโกรธเา้าช่วงที่เลวร้ายสุดช่วงที่แย่สุดคือช่วงที่อาตมากโกรธเขาเพราะว่าอาตมาเขาถ้าไม่ได้พูดต่อนะแต่อาตมาอธิบายอาตมาเข้าใจนะว่าเมื่อการที่เข้ามาทรมานท่านเนี่ยมันแค่ทุกกายแต่ตราในที่จิตใจเจ้านท่านเป็นปกติเนี่ยไม่โกรธไม่เกลียดเนี่ยใจไม่ได้ทุกข์ด้วยแต่ความทุกข์จะเกิดขึ้นกับท่านทันทีเมื่อท่านโกรธเมื่อท่านเกลียดๆๆๆๆ มันจะไม่ได้แค่ปวดกายมันปวดใจด้วยนะคนที่ป่วยเนี่ยนะอันนี้รู้ดีนะว่าป่วยกายไม่เท่าไหร่แต่ป่วยใจนี่มันหนักครูเจ้าสอนว่าป่วยกายแต่อย่าป่วยใจในช่องเราดีการเนี่ยท่านท่า น, ท, านท่านลาเซเนท่านก็ท่านก็เห็นเหมือนกันนะว่าปวดกายเนี่ยไม่หนักเท่ากับปวดใจเพราะฉะนั้นทําร้ายลงไปเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่มันกระทำที่เราโกรธนะนั่นคือแย่ แยกคือว่าจิตก็คิดร้ายก็เป็นบาปแต่เดียวกันเมื่อกายเมื่อจิตโกรธก็เป็นทุกทุกทั้งกายทุกทั้งใจนี่สมาชิกว่าเรื่องการทําจิตสําคัญนะแต่เดียวกันการทําจิตก็สําคัญด้วยต้องเจรจาต้องพูดต้องคุยใช่ไหมฮะเพราะว่าศาสนาที่แท้เนี่ยอย่างที่อาจารย์พรมวังศอพูด มันอยู่ที่ใจที่มีเมตตากรุณาไม่ใช่อยู่ที่วัตถุไม่อยู่ที่สิ่งของเรารักษาสิ่งของไม่ได้รักษาพิธุรูปไม่ได้แต่เราทำร้ายเขาใช่ไหมอันนั้นเนี่ยาศาสนามันหายไปแล้ว เพื่อเราเนี่ยสมาชิกว่าว ก, ออ ก, กนนะ็ทะเลอะกันครับทาะกันเรื่องสีทะเลออกกาะกันเรื่องเหลืองเรื่องแ ด, ด, ดงบ้างทะเลออกกาะกันเรื่องมุสลิมบ้างใช่ไหมฮะเนี่ยเราสมาชิาทำตรงนี้ก่อนนะไม่ต้องพูดถึงสันติภาพในโลกเอาสันติภาพในบ้านเมืองเราก่อนตอนนี้ก็ทะเลออกกาะกันเรื่องสีเยอะเเกินทะเลออกกาะกันเรื่องตรงนี้อ่าก็มีการปลุกประเด็นเรื่องพุทธมุสลิมขึ้นมาความมุสลิมเนี่ยมาคืนพุทธอะไรต่างๆทําให้เกิดความโกความเกลียดความชังกันถึงกับพระนี่บอกว่าเนี่ย ถ้าเขาค่าผ้าหนึ่งรูปต้องไปเคาะมัสยิดนึ่วัดหนแห่งอันนี่มันเป็นเรื่องของเหตุการณ์ในบ้านเราซึ่งอาตมาว่าก็ต้องใส่ใจเรื่องเหตุการณ์ในโลกนี้ก็ใส่ใจด้วยแต่ว่าตอนนี้ปัญหามันใกล้ตัวเรามากในครอบครัวเราในบ้านของเราในหมู่เพื่อนของเราสมาชิกไลน์สมาชิกเฟซบุ๊กทะละกันขอโทษนักชิบหายไปเปมดเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็เยอะมากในหลายในหลายในหลายในหลายเพจ แค่เรื่องอาบัตเรื่องเยวก็ทะเลาะกันโอ้โเละเคะเลยแลเราก็ไม่เข้าใจโกรธเกลียดกันได้กันยังไงเรื่องอาบัตเนี่ยนิดเดียวเองใช่ไหมเนี่ยคือตอนนี้เรื่องอะไรก็ตามนี่นะมันพ่อจะทะเลาะกันได้ทุกเวลาเพียงเพราะเห็นต่างกันเห็นต่างกันทําไมต้องเกลียดกัน呐ใช่ไหมเห็นต่างกันนี่รักกันไม่ได้เหรอเห็นต่างทําไมต้องโกรธกันด้วยเอาเอาแค่นี้ก่อนเห็นต่างแต่ว่าไม่โกรธจะไม่เกลียดกันคําที่เรา นะแล้วมันจะช่วยทำให้ความสมา ร, มร์ทมตรีในหมู่เพื่อนเรากลุ่ม l i n ์กลุ่ม Facebook หรือว่าในหมู่ชาวพุทธเนี่ยนะกลับเป็นความสงบร่ำรับรื่นขึ้นมาได้เอาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยขยายไปสู่เรื่องของโลก เจ้าตว่าพระศรธรรมจะไม่เสือ่อมจะแม่นตระทานอาสาเห็งความเสือเอ่อมของตราทานพุทธศาสนาเนี่ยก็อยู่ที่พุทธบริษัทถ้าพุทธิพุธบริษัทไม่ศึกษาทําให้ปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ปรับความเห็นหรือไม่แก้ต่างผู้ที่จูงจาบพุทธศาสนาเนี่ยเพื่ออธิบายนะให้เข้าเห็นให้เข้ า, ขาใจถ้าไม่ทํานี้เนี่ยพุทธศาสนาก็จะเสื่อมอันตราธาน พุทธศาสนาะไม่สูญตราฐานเพราะเพราะคนอื่นกรณีนรารันทานนี่ก็ผู้คนเยอะนะแต่ว่าเคยสงสัยไหมว่าทําไมมุสลิมเนี่ยก็ไปทําลายฮินดูเหมือนกันแต่ทําไมฮินดูไม่สูญไปจากพุทธศาสน์ไปไม่สูญไปจากอินเดียคือเรามีทฤษฎีว่าพุทธศาสนาอินเดียสูญไปเพราะมุสลิมมาทําลายนะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงอนะันหนึ่งที่มีคนทำมุสลิมมาทำลายมาฆ่าแต่เขาไม่ได้ฆ่าเพราะ ไม่ทำลายเฉพาะพุทธศาสนาเขาทำลายฮินดูเขาฆ่าแต่ทำไมศาสนาฮินดูถึงไม่หมดไปจากอินเดียแต่ทำไมพุทธศาสนาสูญไปจากอินเดียก็ต้องกลับมาที่ว่าพุทธศาสนาในช่วงยุคนารันทาเนี่ยเป็นอย่างไรเรามักมีความเข้าใจว่าพุทธศาสนาในยุคนาลันทานเน้นที่นารันทาเนี่ยเป็นช่วงที่ความเจริญรุ่งเรือง มันมีสองช่วงนะช่วงที่เจะเริ่มเลือนกับช่วงที่เริ่มเสือ่อมความเสื่อมเนี่ยนะเป็นความเสื่อมจากภายในก็เช่นว่าพระเนี่ยนะไปมุ่งถกเถียงกันในเชิงทฤษฎีมากในเชิงปรัชญามากและไม่ได้ปฏิบัติกิจกรประการที่สองเนี่ยพระเนี่ยเหินห่างจากชุมชนนรังษีมีพระเป็นหมื่นนะแต่ว่าชุมชนเนี่ยแทบจะไม่มีพระเลย พู้ง่ายคือว่าพอเด็ดยอดกดพอเด็ดยอดพุ่งเนี่ยไม่เหลือเลยรานนี้ในพุทธศาสนาจะอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าพระอยู่ใกล้ชิชุมชนถ้าพระอยู่ใกล้ชิชุมชนเนี่ยกองทัพมุสินแม้จะทําลายนารันทาก็ไม่สามารถจะทำลายพุทธศาสนาได้แต่ความจริงตอนนั้นเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาแล้วหนึ่งนะ บุงในเชิงประยะยัชญาม่กับการปฏิบัติสองไม่เกาะติดชุมชนนะมาอยู่เมืองกันเยอะสาพึ่งพาขุปธรมจากพระมหากษัตริย์มา ก, ก็อยู่กันเป็นเมืองเนี้ยนะจะชุมชนเลี้ยงไม่ไหวอยู่แล้วต้องทุ่งพาพระมหากษัตริย์พอพระมหากษัตริย์เนี้ยซึ่งอุปธรรมพวกเนี้ยถูกกำจัดเป่ยนนมุสลิม น, นะก็เสร็จเลยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะ พุทธศาสนาในเมไทยเหมือนกันนะที่อยู่ราทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าอาศัยชุมชนเนี่ยเป็นตัวเป็นฐานถ้าพุทธศาสนาโดยพวราพราะเนี่ยเถินห่างจากจชุมชนนะไปพึ่งพารักมากเกินไปอันตรายนะคนระับตอนนี้เรากำลังเรียกร้องให้พุทธศาสนาเนี่ยมาอยู่ในการอุปธรรมของรักมากขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ จะต้องเกิดขึ้นตามมาคือพุทธศาสนาโดยเพราะประสงคเนี่ยก็จะเริ่มเผืนหาชุมชนมากขึ้นเผื่นหาหมู่บ้านมากขึ้นและนั่นคืออันตรายในเวลาเราพูดถึงเรื่องนานทาเนี่ยศึกษาให้ดีนะว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยคือกองทัพมุสลิมปัจจัยภายในคืออะไรทําไมฮินดูไม่ไม่สาบสูญไปจากศาสนาจากแต่อินเดียแต่พูดถึงสาบสูญก็โดนถล่มเหมือนกันนะนะ ฮินดูก็ดีกว่าทัดดีกว่าพุทธศาอนตมาไม่แน่ใจ ศาส า, สาเป็นศ า, าสนาประจำชาติเนี่ยเราคงเรากำหนดเพื่ออะไรเพื่อสะท้อนความเป็นจริงของเมืองไทยหรือเปล่าความเป็นจริงเมืองไทยตอนนี้ก็คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติใช่ไหมฮะแต่จําเป็นไม้มที่ต้องเอาข้อความเอาระฆรงูเนี่ยมากระบุเพื่อสะท้อนความจริงของเมืองไทยศาสนาแลภาษาไทายก็เป็นภาษาประจำชาติใช่ไหมฮะ มีใครเรียกร้องให้บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูนว่าให้ภาษาไทยเป็นศาสตร์ประจำชาติไม่จช่เป็นใช่ไหมเพราะว่าคนก็พูดภาษาไทยกันอยู่แล้วคราวนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยเราคงไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สะท้อนความเปลี่นจริงของสังคมเพราะถ้าสะท้อนความเป็นจริงของเมืองไทยเนี่ยเราก็ต้องระบุว่าภาษาไทยเป็นศาสตร์ประจำชาติแต่ทําไมเราไม่ระบุละฮะใช่ไหมเพราะว่าเราคง ต้องการอะไรมากกว่า น, นั้นต้องการอะไรมากกว่า น, นั้นกระหม่อมทอนนะเขาว่าเราคิอว่าพุทธศาสนาตอนนี้กำลังงอแงงอ่งแข็งแกร่งและเราก็เลยคิดว่าถ้ามีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติก็คาดหวังว่าจะทําให้รัฐเนี่ยเข้ามาโอบอุ้มพุทธศาสนามากขึ้นแต่คําถามคือว่า ถ้าเป็นเช่นนี้ก็แปลว่า ท, ที่ผ่านมาพุทธาาศาสนาคอนแอร์คอนแคลนเพราะรักสนับสนุนน้อยลงจริงหรือเปล่าใช่หหรือว่าเป็นเพราะว่าสถาบันพุทธศาสนานเนี่ยเราคอนแคลนเราไม่ได้ไม่ได้มีการไม่ได้มีความเข้มแข็ง ตอนนี้เนี่ยผู้คนเนี่ยเสื่อมสัทธาในในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่เพราะอิทธิพลของศาสนาอิสลามไมราะอิทธิพลศาสนาคริสต์แต่อาจจะอิทธิพลของบริโภคนิยมแต่บริโภคนิยมเนี่ยทำอะไรพุทธศาสนาไม่ได้ถ้าหากว่าพระสถาบันสง์เนี่ยมั่นคงอยู่ในหลักธรรมไม่ปล่อยให้บริโภคนิยม เ, ยเข้ามาตอนนี้เข้ามาลุกรานจนถึง ในบุติในวัดตอนนี้สมาคิดว่าปัญหาอันตรายของพุทธศาสนานะไม่ใช่เครสิสลาลนะคือบริโภคนิยมคือวัตถุนิยมซึ่งทำให้พระเนี่ยก็อังอนแงนคอนแคลนพระก็เริ่มหันมาสนใจเรื่องวัตถุมากขึ้นมีการค้ากันในวัดมีพุทธภานิสัยภานิ สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ให้คนเนี่ยศรัทธาในศาสนาพุทธน้อยลงแล้วตมะคิดว่าถ้าเราจะทำให้พุทธศาสนาเข้มแข็งเนี่ยไม่ใช่ด้วยการวิบร้องให้รักเข้ามาสมนับสนุนมากไปก่อนนี้แต่ว่าด้วยการที่เราปฏิรูปตัวเองเห็นถึงภัยของบริโภคนิยมวัตถุนิย ม, น, ยมนะมากกว่า อันตราคิดว่าตรงนี้ยคนไม่ภัยตระนักว่าภัยที่สําคัญของพื้นพืศาสนาเนี่ยคือบริภโภคนิยมคือวัตถุนิยมไม่ใช่อิสลามไม่ใช่คริสในสมัยรัชกาลที่สี่นะในกาลที่สามเนี่ยส่วนในพระจอมการอีกบวชเป็นพระชื่อว่าชื่อว่าวชิวะวะริยาิภูมิอยู่วัดปรวัทราบไหมฮะท่านถึงกับเชิญ เชิญสังฆราษเนี่ยปันเลพัวเนี่ยมาสอนศาสนาคริสต์ในวัดแลกกับการสอนภาษาอังกฤษให้ท่านจากสังฆราษฎร์ปันเลพัวเนี่ยมาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในวัด ก, ก, ก, ก, ก, ก็ไม่มีความหมายเพราะคนไม่คนไม่ได้ค่อยตามเลยท่านเปิดกว้างขนาดนี้นะอยากจะสอนมาเลยเพราะท่านมั่นใจเนี่ยท่านมั่นใจว่าพุทธศาสนา ด, ดีจริงดีแท้ ไม่มีทานนี้ก็จะเปลี่ยนาศาสนาได้แล้วพระจองกัลย์ที่ทํามั่นใจมากวิทยาอีกขุนเนี่ยคนเราพอใจกว่าคนเรามั่นใจนะเราก็เปิดกว้างแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราเริ่มคับแคบเพราะเราไม่มั่นใจเราไม่มไม่มั่นคงในตัวเราเองใช่ไหมอาตมาคิดว่าเราต้องสร้างความมั่นคงในจิตใจของเราด้วยการเพิ่มพลังทางปัญญาเพิ่มพลังทางจริยธรรมและเพิ่มพลังในทาง จิตวิญญาณก็คือว่าถ้าชาวพุทธเราโดยพาอพระเราเมีความรู้มากขึ้นมีความมั่นคงในจระทะทิยธรรมมากขึ้นมีความลุ่มลึกในทางศาสนาธรรมมากขึ้นอยู่ง่ายกินง่ายนะไม่ลหลงไหลในวัตถุนิยมไม่ไต่ป้าเอาไม่ลหลงไหลในสมณศัก์นะเป็นแบบอย่างแห่งความเรียบง่ายแห่งความสมถะ ของชาวพุทธอาตมาช่วยอลยวนะ่าชาพุทธเนี่ยจะเปลี่ยนศาสนาน้อยจะมีศรัทธาในพระสงมากขึ้นแล้วศาสนาอื่นก็ทำอะไรไม่ได้อาตมาช่วยเนี่ยคือคื อ, คอสิ่งสำคัญที่ทำให้พุทธศาสนาเนี่ยเข้มแข็งก็คือการปฏิรูปตัวเองให้พระเป็นผู้นำทางจิตใจยอย่างแท้จริง เป็นผู้นำในทางสติปัญญาในทางจริยธรรมในทางคุณธรรมและในทางศาสนาธรรมตรงนี้คือคำตอบซึ่งถามว่าการระบุข้อความในระคํามนูญว่าวามพุทธศาสนาเป็นศาสนาส ร, รมชาติจะตอบโจทย์ไหมถ้าตอบโจทย์ตัวมาก็ยินดีนะ ส, สนับสนุน ท่านอาจารย์พุท่ามีปฏิธานสามประการนะซึ่งอาจรมาเพื่อปฏิธานสามประการเนี่ยตอบคำถามข้อนี้ได้ก็คือว่าให้ชาวพุทธ เ, เข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาแล้วก็มีความร่วมมือกันระหว่างศาสนาต่างๆเพื่อที่จะเอาชนาวะวัตถุนิยม อันนี้เนี่ยอาตมายอสามข้อนี้เนี่ยก็เป็นหัวใจสาคัญในการที่จะทำให้ศีลธรรมกลับมาจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทำให้ศีลธรรมกลับมาในโลกเนี่ยเหมืที่อาตมาบอกนะคือชาวพุทธเนี่ยต้องเข้าถึงเข้าถึงแก่นแท้จนกระทั่งละตันหาปทานหรือว่าลดตัญหามานะทิฏฐิดได้แต่ลัทธิพุทธศาสนาเนี่ย จะสู้กับบริโภคนิยมมัถุนิยมเนี่ยอาตมาว่าอาจจะสู้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ร่วมมือกับาศาสนาอื่นนะหรือว่าถ้าไม่ได้ร่วมมือกับาศาสนาใหม่เพราะว่าบริโภคนิยมเนี่ยเป็นาศาสนาที่มีสามุษสิทธิ์มากที่สุดในโลก ไม่ใช่ศาสนาคริสต์นะฮะไม่ใช่ศาสนาอิสลามศาสนาลิบโคนิยมเนี่ยมีสมอทธิ์มากที่สุดในโลกแม้กระทั่งนักบวชของสามศาสนาหรือนักบวชศาสนาใหญ่ก็เป็นสอทธิ์ของศาสนาลิบธคนิยมโดยไม่รู้ตัวหรือว่าโดยแอบแสงนะฮะตอนนี้เนี่ย ศาสนาที่ยิ่งใหญ่ปานนี้เนี่ยนะมันต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างพุทธศาสนาและศาสนาอื่นนะแต่จะร่วมมือกันได้แค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็มีความระแวงกันมากซึ่งก็สมควรจะระแวงเพราะว่าศ า, าสนาบริโภคนิยมเขา ก, ก็พยายามที่จะทําให้ศาสนาต่างๆเนี่ยแตกแยกกัน แต่ว่าถ้าจะเอาชนะบริโภคนิยมได้เนี่ยเพื่อนาําศีลธรรมกลับมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราต้องเข้าถึงาศาสนาของเราเข้าใจว่าอะไรคือตัวาศาสนาที่แท้อย่างที่อาจารย์พรมวังโสภูตุเนี่ยตัวาศาสนาที่แท้เนี่ยไม่ใช่คําพีไม่ใช่วัดไม่ใช่เจดีนะแต่มันคือคุณธรรมภายในความรักความเมตตาความยิ้ความปล่อยวางนะ อาจารย์เพื่อท่านจะบอกว่าเนี่ยาการแฝงศาสนาคือรักผู้อื่นรักผู้อื่นาศาสนาพุทธก็เหมือนกันรักผู้อื่นไม่ใช่รักตัวอย่างเดียวถ้าเราก็ถึงเรื่งนี้แล้วเนี่ยการที่เราจะเอาพลังาศาสนาเนี่ยพลังความรักความเมตตาเอาชนะความไม่มีความเปิดความเปลี่ยนอยู่ภายในเนี่ย เพื่อจะพาคนให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของศีลธรรมมั่นคงในศีลนัน่นมั่นคงในธรรมก็เป็นไปได้เพราะว่าความสุขที่เกิดจากศีลความสุขที่เกิดจากธรรมเนี่ยมันยัง่งยืนและประเสริฐกว่าความสุขจากบริโภคจากวัตถุมากนี่คือจุดแข็งของศาสนาพุทธนะก็ะคือว่ามันมีรางวัล คือความสุขที่เบรนีความสุขที่ไปพ้นวัตถุประเสริฐกว่าวัตถุซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าถึงแก่นแท้พุทธศาสนาเนี่ยเราเข้าถึงความสุขชนิดนี้เนี่ยเราจะไม่ยี่รละต่อวัตถุใครก็จะรวยก็เป็นเรื่องของเขาใครก็จะมีชื่อเสียงใครก็จะมีสถานะก็เรื่องของเขาแม้เวลาเจ็บเวลาป่วยยังมีความสุขเลยเพราะป่วยแต่กายใจไม่ป่วยแม้สูญเสียคนรักใจก็ยังเป็นปกติสุขได้ นะอย่างที่มีตัวอย่างในพุทธการหลายท่านสุบรรณที่มันประเสริฐแล้วเนี่ยนะแล้วถ้าเข้าถึงความสุบรรณเยอะเนี่ยวัตถุนิยมเนี่ยไม่มีความหมายเลยนะและนี่คือสิ่งที่มนุษย์ต้องการมนุษย์ต้องการอย่างน้อยๆใน่ความสงบใจไม่ใช่ความสงบนอกแต่สงบในด้วยและที่พุทธศาสนาเนี่ยสามารถจะจะเป็นที่นิยมในต่างประเทศเนี่ย เพราะพุทศาสนาช่วยให้คนเข้าถึงความสงบแบบนี้ซึ่งเป็นความสงบเบื้องต้นเท่านั้นนะความสงบใจสงบข้างในแ้นแต่มาเชื่อว่าถ้าคนเราเข้าถึงแก่นแท้พุทธศาสนานีนด้วยการปฏิบัติกับกายและใจของตัวนีนะ่ก็จะมีพลัง ในการที่จะเอาชนะในการที่จะนาําภาศิลธรรมกลับมาได้อยู่ที่ว่าเราเข้าถึงหรือเปล่าถ้าเราไม่เข้าถึงเนี่ยศาสนาก็ต้อเพียงแค่ยี่ห้อคนทุกวันนี้เนี่ยจํานวนมากนับถือศาสนาเพียงแค่ยี่ห้อคือไม่เข้าถึงแก่นแท้ขอธศาสนาถ้าใครไม่นักถือยี่ห้อนี้ก็โกรธ แต่เข้อแม่หน้ถือยี่ห้อนี้ก็ช่างเท่าเดิถ้าเราเข้าใจเข้าถึงพุทธศาสนาอย่างแท้จริงที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าการยึดมั่นถึงบ้านในความดีถ้าดีมั่นถึงมั่นมา ก, มากมาเกินไปก็อาจจะทําผิดได้เหมือนกัน ในพระพุทธศาสนาเราควรพิจรารณาหรือวางใจอย่างไรเพื่อไม่ให้เราเกิดการทิพมันม่นถือมา่ในความดีจนผิดไปครับเบื้องต้นก็คือมีมีสติรู้ทันสตินี่มันเหมือนกระตาใ น, นที่ทำให้เรารู้ทันรู้ทันความยึดมัน่นถือมันที่เกิดขึ้นเพราะว่าความยึดมั่นเนี่ย ตอนที่มันกดดันในใจเราจะไม่เห็นนะแต่มันจะแสดงการออกมาเมื่อเจอคนที่คิดต่างจากเราหรือทําต่างจากเราเนี่ยมันจะเกิดความไม่พอใจเวลามันมีความทุกข์เกิดขึ้นเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นเกิดความโกรธขึ้นเนี่ยให้รู้เลยนะนั่นอ่ะอุปทา น, น, นแสดงตัวแล้วเวลาเราโกรธเมื่อคนเขาไม่กดไลค์อันถูกด่าเวลาเราไม่พอใจเมื่อคนไม่กดไลค์เนี่ยนะมันเกิดจากอุปทาน แท้ๆเลยถ้าไม่ใช่ที่ถูปาทานก็อัตตวาทุปาทานหรือถ้ามีคนขโมยของเราลุ้เงินหายของหายแล้วเราเสียใจนั่นก็เพราะเรามีกรรมอุปาทานอุปาทานมีสิบตัวนะฮะใครสวดมนต์หรือว่าใครกราบไม่ไม่เหมือนที่เราที่เรากราบนี่ทุกขึ้นมาเนี่ยนะอันนี้เราศิลพตตศิลพัตุปาทานอุปาทานมีศิลปตแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาเนี่นะ ก็คือที่ถุประทานการถูกประทานและอัตว่าถูปรท า, านมันแสดงออกมาด้วยความโกรธไม่พอใจเมื่อเห็นสิ่งที่เรายึดมันเนี่ยถูกคัดค้านหรือว่าไม่มีคนคล้อยตามด้วยนั้นก็เรามีสติทันความโกรธความหงุดหงิดความไม่พอใจแล้วก็จะเห็นเลยนะอ๋อเรามีประทานเรื่องนี้นะแล้วก็ระมัดระวังอย่าให้มันเข้ามาครองใจ อันนี้เราวรู้ทันด้วยสติแต่การที่จะเพิ่มเขาอุบทานอย่างแท้จริงเนี่ยมันต้องรู้ด้วยปัญญารู้จนเห็นแจ้งว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นเป็นเราเป็นของเราได้อุบทานทั้งหลายเนี่ยเป็นการยึดว่าเป็นเราของเราทั้งนั้นไม่ว่าการอุปทานอัตตาทุปาทานหรือว่าทิฏฐุปาทานเนี่ยมันเป็นการยึดว่าเป็นเราเป็นของเราแต่วันนี้เพื่อแตก็ตามที่เรา มีปัญญาเห็นแจ้งว่าไม่มีอะไรจะเป็นของเราเลยก็คือเข้าใจเรื่องอนัตตาเนี่ยมันก็มันก็ไม่ยึดแล้วนะหรือเมื่อใดก็ตาม่รู้ว่าความยึดมั่นเป็นทุกข์มันก็ปล่อยนะในบทสวดเนี่ยนะมันมีบทสวดบนธรรมวัตอันนึงนะันธหน้าเป็นของหนักเนอการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุข เมื่อใดก็ตามที่เราทุกข์ไม่ใช่กลัวเย็นนะเมื่อเราเจอกรณที่เราทุกข์เพราะเศร้าเสียใจรู้สึกผิดนะปวดหัวนะนั่นก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นอาการมโนแสดงออกมาหลายอย่างนะความกลัวก็อันหนึ่งความเศร้าก็อันหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่เราสะทุกข์ใจเนะี่ยนั่นแปลว่าเรายึดเรามีอุปทาสติทําให้เรารู้ทันความทุกข์แล้ววางมันลง แต่เมื่อการที่เรามีปัญญาเห็นแล้วว่าทุกอย่างเป็นทุกทั้งนั้นนะเราไม่ยึดไม่แบกอะไรต่อไปเลยเราจะเห็นในนักการสลัดของหนักเสียเป็นความสุขพระยาเจ้าเนี่ยเมื่อสลัดของหนักขึ้นลงเสียจแล้วไม่หยิบเอาของหนักอันนี้ขึ้นมาดีนักปฏิบัติธรรมหลายคนเนี่ยสลัดของหนักบางอย่างลงแล้วไปเอาของใหม่มาแบกอาจจะสลัดเรื่องเงินเรื่อ ง, องทอง แต่ไปแบกเอาทิฏฐิขึ้นมาก็ได้นะแต่ถ้ามีปัญญาเห็นว่าแบกอะไรก็ตามทุกขั้นนั้นเนี่ยมันก็ปล่อยทั้งนั้นเองนะอุปทานก็ไม่เหลือนะก็ออคือเพื่อไงมีปัญญาเห็นแจ้งว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ก็ไม่แบกหรือมีปัญญาเห็นแจ้งว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนที่ยึดมันถูมันได้เล ย, เลยมันก็ไม่เปแบกไม่เปยยึดตาเป็นของของอะไรต่อไป งั้รู้เนี่ยรู้ได้สองอย่างรู้ได้สติกับรู้ได้ปัญญาแต่ว่าสพวกเราก็ให้รู้สรู้ได้สติก่อนการเจริญสติมันช่วยทํำให้เรารู้ทันจิตเวลามันแบกนะแล้วมันต้องเราปล่อยได้เร็วก็ต้องปฏิบัติการให้ทานการรักษาศีลอย่างเดียวไม่พอต้องปฏิบัติก็คือภาวนาด้วยจิตเราจิตจะไวจิตมีสติรู้ธรร และตรงนั้นแหละที่ทำให้ศาสนานี่มันตั้งมั่นอยู่ในใจเราอย่างแท้จริงเพราะว่าปัญญาที่เห็นแจ้งในสัจธรรมความจริงทำให้เราไม่ม่อนไม่ม่นง่ายคอนแฟรต่ออะไรขอไปขอการเรียกร้อว่าจะทำใจอย่างไรกับคนที่พูดอย่างปัญญาเช่นอยู่นอกป้ายทำดี แังไงบ้างทำได้อย่างแรกคืออย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาบางทีก็อไจต้องแผ่เมตตาให้เขาให้อาภัยเขาอันหนึ่งใจต้องเข้าใจเขาด้วยว่าทําไมเขาเป็นเขามีที่สายแบบนั้นความเข้าใจเขาเนี่ยมันทําให้เราให้อาภัยเขาได้ง่ายขึ้นนะแต่ขณะเดีดยกันถ้าว่าเรา เราเราสามารถช่วยเขาได้ก็น่าช่วยนะว่าทําไมหรืออะไรไเขาได้ก็เป็นอย่างนั้นบางทีก็อาจจะก็คือคนที่เรารักหรือคนอยู่ใกล้ตัวเราการที่เขายังไม่ไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าไม่ไม่ไม่รู้ว่าเัวเองต้องการอะไรมันก็ทําให้เขามีพฤติกรรมอย่างนั้นคนเราถ้ารู้่ตัวเองต้องการอะไรนะ เขาก็จะคงเส้นคงคงวาแล้วก็จะยิ่งถ้าเขารักตัวเองได้เขาก็จะไม่ทำหรือมีพฤติกรรมแบบ น, นั้นแต่ก็ถูถกรกต้องเริ่มต้นที่ใจเรานะคือว่าอยาไปอยาไปมุมนึงกับเขามีความหวังในตัวเขาแต่อย่าคาดหวังเขาเมื่อชอนอิยตมาก็พูดเป็นลวนะมีอะไรการหนึ่ง มีความหวังในตัวเขาว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงได้แต่อย่าคาดหวังพเพราะถาเราคาดหวังแล้วก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราหวัง เ, เราก็ทุกข์เมื่อเราทุกข์แล้วเราก็จะโกรธแล้วเราก็จะเกลียดเขาและสายสัมพันธ์นก็จะร้าวชาดคำสองของพระวจีเป็นประโยคที่เราทราบนะ ว่าเป็นคำสอบของศาสนาพุทหรือ ไ, ไม่ในาบะอะไค ร, รับจ๊ต อ, อไม่ได้มันไม่ได้ระบุว่ารก็ก็ะบากแล้วยังไงถามว่าอะไรนะ คำสอนนะครับของของวันที่มนคยมีอยู่ครับึงก็เป็นคำสอนที่เราสนามาให้คือจะมาว่ามันก็ต้องเลือกแยกแยะนะเพราะบางบางอย่างก็เป็นพุทธนะคือเราต้องแยกแยะนะว่าคาสอนบางอย่างเนี่ยก็จะเป็นคำสอนพุทธศาสนาะแต่คำสอนบางอย่างก็จะเป็นการตอบเดิมขึ้นมาเราก็ต้องรู้จักแยกแยะหน่อยนะมันคงไม่ใช่ว่าที่เขาสอนมาผิดหมดนะไอ้ที่ถูกก็คงมีไอ้ที่ผิดก็เยอะเราก็เลือกสรรเาแยกแยะเอา มันก็เมื่อนคนนะคนก็ก็มีทั้งดีและเลวในตัวคนเดียวกันพระเจ้าพระสารีบุตรเคยกล่าวว่าคนบางคนเขาดีทางกายกายกรรมดีแต่ว่า ว, าวาจีกรรมไม่ดีคนบางคนวจีกรรมดีแต่กายกรรมไม่ดีเดีย๋ยวเราเราเจอคนที่ไม่ดีเนี่ยธรรมชาติคนเราก็จะโกรธก็จะไม่พอใจก็จะเพียบบาปพระสารีบุตรแนะนําว่าวิธีการลดละเพยาบาท เมื่อเจอคนแบบนี้ก็คือว่าให้มองส่วนดีของเขาเพราะสรบุตรเปลี่ยนมันก็ว่าเหมือนกับเวลาเราเดินไปกลางถนนแล้วเจอผ้าผ้าผ้าผ้าตกอยู่เนี่ยผ้านี่มันก็เก่าเราก็เลือกเอาเฉพาะส่วนที่ใช้การได้ เ, เอาไปใช้ประโยชน์สมัยก่อนผ้าเนี่ยที่วัดผ้าเนี่ยต้องเอาเก็บมาจากขยะมากเก็บมาจาก สุดสารมากเล น, นะเพราะฉะนั้นจะได้ผ้ามาเนี่ยแต่และชิ้นแต่และชิ้นก็เล็กแค่เดียวเมื่อไเวลา เ, เ, เจอผ้าหรือเจอพยะบนถนนเนี่ยก็ต้องรู้จักฉีมาเฉพาะส่วนที่มันใช้การได้แล้วก็ไปตัดไปเย็บไปย้อมไปจีวรหรือถ้าจริงก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าเหมือนกับคนที่เดินทางไกลแล้วก็หิวแล้วก็กระหายน้ํามาเจอหนองมาเจอบึงแต่บึงนั้นเนี่ย มันมีจ่องน้ำเต็ไมไปหมดเลยทำอย่างไรเราถึงจะเอาน้ำในบืนนั้นมากินได้ทำอย่างไรฮะแวกแวกจ่องน้ำฉันได้ก็ฉันนั้นคือปฏิบัติกับคนที่เรารู้จักบางคนเขาดีบางอย่างเราก็มองจากตรงนั้นเขาดีทางกายก็ดูก็พิจารณาที่กายเขา การเนกายกรรับพฤติกรรมบางคนเขาดีทางคำพูดแล้วก็ใส่ใจตรงนั้นกับคนฉันได้นะกับกับวัดก็ฉันนั้นนะก็คือว่าก็เลือกให้เจรนาเอาส่วนดีของเขามาทำหลังสุดท้ายครับขอคำแนะนำเรื่องการวางจิตก่อนละจากโลงนี้ไป กลก็การทำจิตภาวนาในชีวิตประจำวันผู้เจ้าก็เคยสอนเคยนำทางของผู้ใกล้าตายนะหลายคนแล้วก็จะมีวิธีการคล้ายๆกันอันนี้ผู้เจ้าเนี่ยปฏิบัติกับผู้ที่นักถือพระนรัตไกรนะก็คือว่าให้เขาระลึกนึกถึงพระนรัตไกร แล้วก็ระลึกถึงสีลที่ได้ทำหรือความดีที่ได้บําเกินนะแล้วสองเนี่ยก็ให้ปล่อยวางสิ่งทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติคนรักสมัยนี้ก็ต้องลดหึงงานการด้วยแล้วก็ละแม้กระทาั่งสวรรค์ว่าจะไปชั้นไหนไม่ต้องสนใจนะละให้หมด อันนี้คือวิธีการที่สรุปย่อยๆนะซึ่งามาวมาใช้ได้เกสบอเซนอยู่ที่ว่าเขาจะทำได้หรือไม่นะก็คือหนึ่งนึกถึงพระสองละทุกสิ่งคุณจำไห้นะสองสองข้อเนี้ยนึกถึงพระแล้วละทุกสิ่งเนียแล้วคุณเอาไปต่อเอาไปขยายความเอาไปไประยุกใช้กับกับแต่ละคนที่เหมาะกับกรณี บางคนที่เขาอาจจไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ใกล้วัดเลย<ม>ก็แค่คิดถึงความดีที่เขาได้ทําสิ่งที่เขาภาคภูมิใจแล้วทุกสิ่งแล้วทุกสิ่งจริงๆนะแม้กระทั่งแม้กระทั่งบุญกุศลที่ยังไม่ได้ทํามีคุณลุงคนหนึ่งนะักแกนเคุณธรรมธรมโมชอบพาคนชวนคนเข้าวัด แล้วก็ส่วนคนไปทาบุญทอดกระถิ่นทอดผ้าป่าตามวัดต่างๆในชนบทเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารแกก็ทําเบี้เป็นสิบยีสิบปีแกก็มีความสุขนะแล้ววันหนึ่งแกเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งก็ลุกลามเร็วมากจนวระทั่งสุดท้ายแกก็ามานอนอยู่ในงานสุดท้ายที่บ้านตอนท้ทายๆเนี่ยจะมีการกรปาสับกระส่ายทุรนทุราย ลูกหลานเนี่ยก็เห็นอาการขอคนธรรมะธรมโมก็ก็เลยเอาเทพธรรมะพระสดม น, นี่ยให้ให้คนไข้ฟังเพรากว่าคนไข้เนี่ยไม่หายกระสับกระสา ย, ล, ยลูกหลานก็แปลกใจให้คนธรรมะธรมโมนา่าฟังน่ า, าสงบนะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยใกล้ๆกันนั้นเนี่ยเพื่อนสนิทมาถึงเห็นพอรู้ว่าเกิดอาการอะไรขึ้นกับคนไข้ก็ไปพูดข้างหูนะบอกว่า ไอโบสถที่สร้างไม่เสร็จนั้นไม่ต้องห่วงนะคนเราจะช่วยสร้างให้เสร็จบอ mm hmm. กว่าพอที่ยึดที่แก่สงบเลยนะแสดงว่าสมองแกเป็นห่วงห่วงเรื่องสร้างโบสสร้างโบสนี้เป็นของดีใช่ไหมเป็นบุญกุศลใช่ไหมแต่ถ้ายึดมั่นถือมั่นมากโดยเพราะเนรละใกล้ตายเนี่ยมันกลับเป็นโทษกับเจ้าของกลับเป็นโทษกับตัวเนะคือทําให้ตายไม่ได้ แม้กระทับุญกุศลเนี่ยก็ยึดมาถึงมันไม่ได้นะโดยเพราะเวลาตายต้องปล่อยให้หมดสร้างไม่เสร็จก็ไม่เสร็จนะทำเต็มที่นะทำได้แค่ไหนก็แค่นะั้นเมื่อถึงเวลาตายก็ละให้หมดเพราะนั้นเนี่ยแม้กระทั่บุญกุศลก็ต้องละนะแล้วก็จะไปดีแต่ถ้าคนที่มีธรรมะคนที่ปฏิบัติธรรมผู้จ้าก็แนะนำ ให้พิจารณาสังขารว่าเป็นไตายรักอันนี้พระเจ้าเนี่ยแนะนํากับอุบาสกคนหนึ่งชื่อทีพาวุอุบาสกกำลังจะตายพระเจ้าก็แนะนำเนี่ยให้เราลึกถึงพรนธุนัดไตรให้เราลึกถึงความดีที่เด็ดทำที่เร า, าเรียกคะเรียกกันตัดสินแล้วก็ให้พิจารณาสังขารเป็นไตายรักแต่ที่กำลังป่วยเนี่ยโอมันแสดงไตายรักให้เราเห็นชัดเลยถ้ามองเป็นพิจารณาเป็นเนี่ยนะ ก็ตายสงบประกฏว่าไม่ได้ตายสงบเเดียวนะผู้เจ้าพยากรณ์หรือบอกว่าที่เขาประสบได้เป็นอนาคามีแล้วนะไม่ได้ไปไม่ได้แค่ได้ไปดีนะแต่ว่าไปแบบไปสว่างเลยเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับคนที่คุ้นเคยการปฏิบัติคุ้นเคยกับการพิจารณาธรรมก็ให้ทำอย่างนี้ด้วย ก็อะไรอย่างนี้ก็อยากเชิญชวนทุกท่านได้ทำใจสงบนะ